ผู้บริหารแล้วก็พนังานทุกทุกท่านนะอาตามาบางครั้งนี้ก็หลงรักผู้หญิงคนเดียวในชีวิตคือยอมแม่อาตมาส่วนผู้หญิงคนต่อมายังหาไม่เจอเพราะฉะนั้นในใจอาตมา น, นี่ก็มีผู้หญิงคนเดียวที่ขึ้นถึงฐานะอันสูงสุดก็คือยอมแม่ส่วนผู้หญิงคนต่อไปต้องล้นกันเองนะถ้าร้อนแรงทุกองศาก็ไป็แน่นะ เคยมีคนมาเจอตามาแล้วบอกว่าพระอาจารย์พระอย่างพระอาจารย์ไม่รอดมันได้ยังไงความหมายลึกๆสะท้อนว่าพระหน้าตาดีอย่างเราเนี่ยไม่น่าจะรอดนะใช่ไหมไม่น่าจะรอดตามาก็เลยบอกโยมคนนั้นไปว่าคุณโยมอย่าเพิ่งสรุปว่าอัตมาจะรอดตามาก็ยังไม่มั่นใจตัวเองเลยว่าจะรอดหรือไม่รอดนะ ก็วันนี้ก็เลยจะพูดสองเรื่องนะหลังจากที่เรารู้จักกันแล้วเนี่ยเรื่องแรกอาจารย์จะพูดเรื่องการคิดในเชิงบวกคิดบวกชีวิตบวกคิดลบชีวิตลบเรื่องที่สองพรุ่งนี้จะเป็นบรรแม่และที่นั่งอยู่เบื้องหน้าของอาจามภาพนี่ก็แม่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเบนทูลหัวโลกนี้ฝากไว้ในมือแม่นะคนณโมนะผู้ชายเนี่ยจะแก่งแค่ไหนก็ตาม ถ้าไม่มีผู้หญิงก็ลืมตาออกมาดูโลกไม่ได้ฉะนั้นลึกๆผู้ชายทุกคนเป็นหนี้บนคนผู้หญิงช่วงที่สองเราจะมาพูดเรื่องพระคุณของแม่กันเอามาดูช่วงที่หนึ่งนี่คุณ ค, คิดบวกคืออะไรก่อนที่จะตอบเาคิดบวกคืออะไรก็ไปดูก่อนว่าความคิดมีกี่ลักษณะความคิดนี่มีอย่าง น, น้อยสีลักษณะนะหนึ่งคิดฟุ้งซ่าน เคยเป็นไหมคิดพุงซ่านนะเป็นบ่อยไหมสมมุติหลังวันที่ยี่สิบเงินเริ่มไม่พอใช้คิดหรือยังเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักหรือยังดูนะส่งเอสเอ็มเอสไปแล้วแฟนไม่โทรกลับหายไปครึ่งวันเคยคิดพุงซ่านไหมเคยแป็นคเคยแป็นนะอันนั้นแหละคือความความคิดที่ ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นึกจะคิดอะไรก็คิดเราเรกว่าคิดฟุ้สร้างสองคิดลบคิดลบก็หมายความว่าไม่เคยมองอะไรในแง่ดีเลยเช่นฝนตกก็ดา่าฝนมันตกทำไมทุกวันก็ไม่ตกนั้นมันตกวันนี้แล้วตกที่ไหนก็ไม่ตกมันตกเอาตรงที่เรานั่งฟังทำเนี่ยนี่คือคนคิดลบนี่จะหาเรื่องด่าได้ตลอดเวลา อัตมาภาพที้เจอมาตลอดวันหนึ่งไปออรรียนการสยามทูเดย์คุณโยมคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาพระอาจารย์วันนี้นะพูดดีดีโยมนี่นะตั้งใจจะบันทึกเอาไว้หาพระพูดดีดีอย่างนี้ยากแต่ขออย่างได้ไหมวันหลังไปออกโทรทัศน์อย่าปล่อยให้ผมยาวเนี่ยดูก็มันไม่ถึงวันโกนนะจะให้โกนได้ยังไงใช่ไ <c oughs> คือจะหาเรื่องตีกันจนได้ เนี้ยคือพวกคิดลบนะจะต้องมีเรื่องให้ติในบริษัทนี้มีคนคิดลบไหมมีไหมมีนะใกล้ๆตัวเราด้วยนะเออบางทีเราเราอาจจะเป็นคนอ้วนนะแต่เราก็พอใจในความรู้ความสามารถของเราใช่ไหมความอ้วนก็ไม่ได้หนักกระ บ, บาลใครแต่คนคิดลบก็จะหาแง่มติมาติงเราใช่ไหมเออ หาว่าสามีเลี้ยงดีเกินไปมั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นคนคิดลบในคนยอมถึงแม้ไม่มีเรื่องเขาจะพูดให้มีเรื่องจนได้ฉะนั้นการเป็นคนคิดลบดีไหมไม่ดีนะฮะเอาต่อไปคิดบวกคิดบวกก็หมายความว่าคิดแล้วเกิดบุญลค่าเพิ่มขึ้นมาในชีวิตอะไรไม่ดีมองให้เป็นเรื่องดีๆ เช่นมีสามีกับเขาหนึ่งคนแล้วก็ได้รู้สัจธรรมว่าชีวิตนี้ควรมีคนเดียวพูดมากเหลือเกินถ้าเป็นคนคิดลบนนก็จะบอกว่ากรรมจริงๆก่อนโปรโมชั่นก็ไม่เห็นพูดมากอย่างนี้นพเพราะเผลอตัวแต่งงานด้วยตอนนั้นเองพูดยิ่งกว่าพระเทศถ้าเราคิดบวกเราก็จะสามารถมองให้เป็นประโยชน์ได้ว่า สามีของเราเขาเป็นนักพูดชั้นสงูงไม่ว่าจะมีผู้ฟังหรือไม่มีผู้ฟังเขาก็พูดตหอดเลยเนะืเราก็คิดเอาว่าฝึกความอดทนคือพอเขาพูดมาเขามีหน้าที่พูดใช่ไหมเรามีหน้าที่ทนดูซิใครมันจะไปก่อนใคร <c oughs> อันนี้ก็คือคิดบวกเดี๋ยวจะลงลึกในรายละเอียดเอาไปดูคิดต่อไปคิดตามความจริง คิดตามความจริงก็คือมองอะไรให้เห็นตามความเป็นจริงเช่นพระรูปหนึง่งเห็นสตรีคนหนึ่งเดินผ่านมาทารวศ ก, กับสามีขั้นรุนแรงเดินผ่านหลวงพ่อสามีวิ่งตามมาหลวงพ่อก็เห็นผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของเขาอ่ะนะสามีวิ่งตามมามาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อครับเห็นผู้หญิงสวยโอยเดินมาไหมครับทีนี้หลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นคนที่มองตามความเป็นจริง พ่อบอกว่าอาดามาไม่เห็นเราผู้หญิงสวยๆแต่เมื่อกี้เห็นโครงกระดูกโครงหนึ่งเดินไป <c oughs> ฟังแล้วหมดอารมณ <c oughs> ์คือในสายตาปุถุชนเนี่ยเห็นคนสวยก็ยอมรับว่าสวยใช่ไหมแต่ในสายตาของพระอริยะซึ่งมองโลกตามความเป็นจริงท่านมองทะลุเข้าไปเห็นแต่โครงกระดูก เพราะฉะนั้นทุกคืนที่คุณยอมกลับบ้านไปนะนั่งกินข้าวกับสามีถ้ามองตามความเป็นจริงนะแน่ดูเลยนะนั่นคือฉันกําลังนั่งกินข้าวกับโครงกระดูกอะ่ะใช่ั้มกินข้าวกับโครงกระดูกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันบาดาลใจคมรักรอยแอมบิส ด, ดูคู่กับโครงกระดูก เสร็จแล้วทะเลาะกันน้องยิงงงงงตบกันพวกสามีตบเราจนหน้าหันเราหันมายิ้มบอกสามีว่าคุณไม่ได้ตบฉันหรอกที่ตบไปนัน่นคือโครงกระดูกเห็นไหมจากนั้นก็เข้านอนเข้านอนก็กอดกันกลมมองตามความเป็นจริงคือโครงกระดูกใช่ไหมที่เรานอนกอดอยู่เอา้ามองตามความเป็นจริงนิดนึ่น คุณโยมทำงานทุกวันทุกวันทุกวันสิ้นเดือนได้เงินเดือนใช่ไหมเดือนละหกเจ็ดหมื่นเป็นอย่างน้อยที่นี่เศรษฐกิจดีอาตมาก็รู้ทอดกัดถินทีหนึ่งเป็นสิบล้านจึงหรือเทศไม่รู้เระพูดกันไว้ก่อนเผื่อไปทอดวัดอาตมาจะได้เยอะๆมองตาความเป็นจริงเนะเงินที่เอาไปทำบุญก็ดี ที่ามาให้เป็นเงินเดือนของเราทุกคนก็นดีคือเศษกระดาษจริงไหมอันนี้ทํำใจยากจะให้เงินเป็นเศษกระดาษเดี๋ยวถ้าบอกว่าใช่เลยเกิดจะไหนาเอาเศษกระดาษมาแจกแทนเงินเดือนเลยยุ่งเลยนะจริงๆเงินก็คือเศษกระดาษนะเราสมมตุติในที่ที่เขาไม่ยอมรับสมมติเงินไม่มีความหมายอันตรายถ้อยู่เมืองไทยดีนะคุณโยมนะครไปที่ไหนก็ตาม มีแต่คนต้อนรับขับสู้เวลาเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเนะกว่าจะเดินฝั่งซ้ายทะลุไปฝั่งขวานะฉีกยิ้มจะเหนือยแห้งนะคนทั้งตลอดขอลายเซ็นตลอดทางนะวันหนึ่งธรรมาภาพไปเชียงของที่คุณยมเมย์ไปทอดกระถินปีที่แล้วอ่ะลงจากรถธารมภาพก็เดินตอกแต๊กตอกแต๊กตอกแต๊กตอกแต๊กตอกแกไปเข้าไปที่วัดของตัวเอง คุณยมเชื่อไหมว่าก่อนที่ธรรมาาพัฒจะกลับบ้านเย็นวันนั้นนะช่วงเช้าธรรมาาพัฒนไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริเกตแจกลายเซน็นคนมาขอให้เซ็นหนังสือจนหนังสือหมดร้านอะ่ะตั้งแต่บูธชั้นในสุดจนกระทั่งประตูทางเข้าศูนย์สุสริเกศนะช่วงนั้นดังพอๆกับสระยศนะช่วงนั้นอะ่ะ <laughs> จริงๆสรุทศเขาแจกอยู่ใกล้ๆอ่ะ เาเลยไม่รู้ว่าแฟนคลับใครเป็นแฟนคลับไทยมันต่อกันมู่วไปหมด <c oughs> คือคือคนขอลายเซ็นอยู่สามชั่วโมงจนพนัก ง, งานมาบอกว่าพระอาจารย์คะหนังสือธรรมติดปิคหมดร้านคะ่ะเราเนี่ยเดินตัวลอยนะนั่งเครื่องบินไปเนี่ยยิ้มพอลงจากเครื่องนะนั่งรถตู้เข้าบ้านตัวเองอีกสองชั่วโมงเดินเข้าวัดไปหมามันนอนอยู่ประตูเข้าวัดห้าหกตัว มันไม่หันมามองตามาสักตัวมองก็ไม่มองเห่าก็ไม่เห่านะอู้หูอ้ตามารู้เลยนะคุณค่าของสมมุติสัจจะอยู่กรุงเทพคนเ่าสมมุติว่าเราเป็นคนดังใช่ไนะพอไปต่างจังหวัดหมามันไม่รู้จักว่าเราเป็นคนดังนะ่ะมันก็เลยให้ราคาเราเท่ากับคนทั่ ว, วไปไม่เ่าไม่มองไม่กระเดกหาง อาตมาบรรลุธรรมเลยนะรู้สึกขึ้นมาว่าโอ้โหถ้ามองโลกตามความเป็นจริงฉันก็แค่พระธรรมดาธรรมดาไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยขนาดเดินเข้าวัดหมายังไม่เหงาเห็นไหมพวกเราเคยมองอะไรตามความเป็นจริงอย่างนี้ไหมคนส่วนมากหลงอยู่ในสมมติไม่ค่อยมองอะไรตามความเป็นจริงอาตมาพระมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่ง ลูกสิคนนี้เขาเป็นลูกน้องของนักธุรกิจระดับหมื่นล้านคนหนึ่งของประเทศไทยเวลาเจ้านายเก่าเขาคุยกับเขาก็จะคุยกูมึงกูมึงกูมึงตลอดวันหนึ่งนักธุรกิจหมื่นล้านคนนี้ส่งลูกน้องคนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีวันหนึ่งถ้ารัฐมนตรีมากินข้าวที่บ้านเจ้านายเก่าเจ้านายเก่าบอกเฮ้ยเวลามึงให้สัมภาษณ์เนี่ยมึงต้องระวังหน่อยนะเว้ยอย่าพาดพิงมาถึงกูบ่อยนะ นุ่งน้อมซึ่งบัดนี้เป็นรัฐมนตรีแล้วนะตบไหลเจ้านายเก่าพี่ครับพี่ต้องเรียกผมว่าท่าน ร, รัฐมนตรีอย่าเรียกผมว่ามึงสิครับพี่นี่ยนะคือคนเหล่าเนี้เริ่มหลงสมมุติแล้วมองตามความเป็นจริงไม่เป็นแท้ที่จริงถ้ามองตามความเป็นจริงที่นั่งอยู่ในนี้ตั้งหมดไม่มีผู้หญิงสักคนนะมีแต่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน จริงไหมถอดคำว่าคนออกไปก็มีแต่ดินน้ำลมไฟใช่ไหมที่นั่งอยู่ที่เนียนั้ น, นดินน้ำลมไฟเต็มไป ห, ไหมดเห็นไถอดดินน้ำลมไฟแยกออกให้เหลือสองอย่างส่วนหนึ่งเป็นรูปส่วนหนึ่งเป็นจิตร่างกายเราก็ประกอบด้วยสองอย่างนี้ถ้าแยกจิตออกจากรูปเขาเรียกว่าศพ ถ้าแยกรูปออกจากจิตเขาเรียกวิญญาณเพราะฉะนั้นรูปกับจิตมันต้องรวมกันจึงกลายเป็นคนพวกเราเคยคิดอะไรอย่างนี้ไหมคิดตามความเป็นจริงว่างๆหัดลองคิดดูนะแล้วเราก็จะได้ปัญญาเยอะทีเดียวแต่วันนี้เราจะไม่เน้นเรื่องการมองตามความเป็นจริงเราจะเน้นที่วิธีคิดความคิดแบบแรกคือความคิดฟุ้ง่านคนทุกคนนั่งตรงนี้ ไม่ว่าใครต่อใครก็ลดแล้วแต่เคยคิดผุงซ่านกันทั้งนั้นแล้วคุณยอมเชื่อไหมความคิดฝุงซ่านถ้าสติไม่ดีนะอันตออรายเมื่อวานผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติไปยกน้ำหนักชื่อน้องอะไรนางแกใช่ไหมยกน้ำหนัก แม่กับพ่อและชาวบ้านลุ้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์ที่เมืองไทยแม่คิดฟุง้งท่านสารพัด ส, สารเพคิดฟุ้งไปฟุ้งมาพอน้องเก๋ยกชนะได้เหรียญทองท่านั้นเองแม่ไม่ทันได้ชื่นชมเป็นลมทันทีฟุ้งเกินไปว่าลูกจะแพ้ถ้าแพ้จะทำยังไงถ้าชนะจะทำยังไงพอเขาประกาศว่าน้องเก๋ชนะพ่อชยโยแม่เป็นลมพับลมไปนาทีที่ดีที่สุด แม่ไม่ทันได้ชื่นชมเพราะอะไรฟุงซา่าบเห็นไหมคนเราก็เป็นซะอย่างนี้นะอ่ะมภาพรู้จักพระเอกหนังคนหนึ่งแกเป็นคนที่คิดฟุงซ่านนะบ้าบอลผู้ชายคนนี้ติดกันพนันสิบสองล้านเห็นไหมติดกันพนันนะทํางานได้เงินเดือนเยอะแยะมากมายเป็นดาราหนังยุคหนึ่งนี่เขาขายดีมากเป็นรเร่ล้ำบึก ต่อมาเขาได้เงินได้ทองมาตั้งเยอะแยะมากมายสิบสองล้านติดพ น, นันบอลเพอาติดพ น, นันบอลเขาก็จะแทงแทงบอลโดยเฉพาะฟุตบอลยุโรปบอลพรีเมียร์เลกบอลยุโรปครับเขาเป็นทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์เขาไม่ได้ดูธรรมดาธรรมดานะผู้ชายคนนี้ดูแล้วฟุงซ่านฟุงซ่านแล้วก็เลยไปแทงฟุตบอล ทีนี้เพื่อที่จะทำให้ทุกนัดที่มีการเล่นการพนันของแกในะสมหวังแกก็หาวิธีว่าทำยังไงจะแทงให้มันถูกไม่รู้ใครไปแนะนำให้แกฟุงสั้นบอกว่าถ้าคุณอยากจะแทงให้ถูกทุกนัดนะประการที่หนึง่งวันนั้นทั้งวันคุณต้องอยู่บ้านตื่นแต่ตีห้าอาบน้ำสะผมนุ่งขาวผมขาวเข้าห้องพระ สมาทานสินแปดนั่งสมาธิแลกกินมังสวิรัตพอทำความดีเต็มที่นะก่อนฟุตบอลจะถ่ายทอดสดสักสามชั่วโมงให้นั่งสมาธิจากนั้นขอบา ร, รมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้ช่วยให้แทงถูกผู้ชายคนนี้ไปเล่าออกรายการโทรทัศน์นะคุณเดิมนะ อัตนตรมาพัมนั่งดูแลสมแพทยมากเลยอะ่ะฮะกระตื้นเตตีห้านุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลแปดสวดมนต์สวดพรจากนั้นนั่งส ม, มาธิยืดเยือ้อเรื่องสามชั่วโมงก่อนหายทอดสดประมาณสามชั่วโมงนะ็ก น, นั่งสมาธิแล้วก็เพ่งไปที่พระพักของพระพุทธรูปด้วยดวงตาที่โอโหศรัทธาซิเหลือเกินลูกไม่เคยศรัทธาอะไรขนาดนี้มาก่อน พอจิตนิ่งปุ๊บก็จาริฐานหลวงพ่อครับเมื่อเดชะบารมีของหลวงพ่อคืนนี้นะขอให้ทีมที่ลูกพ น, นันเอาไว้ชนะถ้าทีมนี้ชนะนะครับหลวงพ่อลูกจะเลี้ยงสารพัดหัวเลยหัวหมูหัวควายหัววัว หัวกว้างหัวแพงแงทั้งนั้นเลยนะแต่วันนี้ครับหลวงพ่อยังไม่รู้หัวรู้ก้ยลูกขอบอลด้วยหัวชัยเท้าก่อน <c oughs> แล้วเขาก็เข้าไปแทงนะฮะด้วยความฟุ้งซ่านพอนักฟุตบอลแรกลูกฟุตบอลไปถึงหน้าประตูง้างเท้ายิงน้านทีที่นักฟุตบอลยิงผู้ชายคนนี้หลับตา เขาจะลืมตายครั้งหนึ่งต่อเมื่อรู้แล้วว่ายิงเข้าหรือไม่เข้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นเขาทุ่มเทมากนะทาวัดสวดมนต์แต่ชาเิ้าเข้าไปบนบานสารกล่าวสบพระพักพระประธานด้วยความเคารพ บ, บูชาทำตาเชื่อมไปดูฟุตบอลประมาณว่ามีธรรมะแผ่พลังจิตของเองนะลงไปในลกฟุตบอลชิดูสิลูกฟุตบอลอยู่ไหนอะ ลูฟุตบอลอยู่ยุโรปอะถ้าแผลพลังจิตมันต้องเชื่อมสัญญาณดาวเทียมก่อนมันต้องแผลขึ้นข้างบนใช่ไหมเมื่อดาวเทียมถึงจะโยงยิงพลังจิตลงไปที่เรื่องฟุตบอลค่ก็แผลไม่ต่างพอนักฟุตบอลทีมโปรดยิงไม่เข้าจริงๆวันนั้นกแกแพ้หมดรูปคนดหมดไปห้าล้านแข้นจนไม่รู้จะแค้นยังไง เดินผ่านหน้าห้องพระหันไปมองพระประธานด้วยสายตาที่เหมือนคนไม่เคยรู้จักกันคือหาว่าหลวงพ่อไม่ช่วยอะ่ะก่อนหน้าที่จะเข้าไปเชียร์พุตบอนะศรัทธาสุดๆพอแ พ, พ้ป้านันเดินกลับออกมานะมองพระประธานด้วยหางตาหาว่าหลวงพ่อไม่ช่วยแล้วผู้ชายคนนี้ก็มาสารภาพว่า เป็นอย่างนี้อยู่เป็นสิบปีจนหมดเนื้อหมดตัววันหนึ่งวันสุดท้ายที่แกหมดเงินสิบสองล้านโทรศัพท์ไปหาแม่บอกแม่ลูกขอมาทําทุนล้านหนึ่งถ้าได้ล้านนี้ลูกเลิกแม่ถามว่าแล้วถ้าไม่ได้ล้านนี้คืน่ะลูกลูกจะให้แม่ทํำยังไงแม่ก็เจ๋งแม่นั่งรถมาหาที่บ้านบอกว่าลูกในชีวิตแม่ แม่ตังสมเงินทองมาจนอายุเกือบหกสิบแม่รวบรวมเงินได้หนึ่งล้านกว่าแม่จะหาเงินได้หนึ่งล้านแม่ใช้ชีวิตมาครึ่งค่อนชีวิตแต่ลูกกว่าจะหาได้หนึ่งล้านลูกเล่นหนังหนึ่งเรื่องลูกก็ได้แล้วแต่ตอนนี้เงินสิบสองล้านของลูกหมดเลยแม่ก็ไม่เคยได้ใช้ พันธยาก็ไม่เคยได้ใช้ลูกใช้อยู่คนเดียวแล้วกินก็ไม่อิ่มนอนก็ไม่อุ่นเพราะใช้ไปในการพนันฟุตบอลทั้งหมดแม่ขออะไรได้ไ้ยลูกขอให้แม่ได้เก็บเงินก้อนสุดท้ายไว้กับตัวเผื่อลูกไม่มีทางไปมันจะได้ช่วยแม่ของลูกอีกแรงหนึ่งพูดเสร็จแม่ก็ร้องไห้นะคนเดิมนะเดินลงบันไดไป ตั้งแต่วันนั้นผู้ชายคนนี้เลิกการพนันฟุตบอลเบ็เสร็เดขาดเวลาดูรายการโทรทัศน์ถ้าเห็นถ่ายทอดสดฟุตบอลผู้ชายคนนี้ปวดมวนท้องเลยคล้่นไส้ไม่เคยรู้จักทุกวันนี้ก็กลับมาตั้งเหนือตั้งตัวได้เลิกเล่นการพนันฟุตบอลกลับไปอยู่ต่างจังหวัดก็ทำฟาร์มเลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่ของแกไปก็ย้อนกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยความคิดที่ไม่มีระเบียบคือคิดฟุ้งซ่านนะคุณโยมนะเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยบางทีมีเป็นร้อยล้านนะปลิดปลิวไปจากชีวิตก็ได้เพราะความฟุ้งซ่านด้วยชีวิตของเราซึ่งรักนักรักหนาถ้าเราฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยนะคุณโยมนะชีวิตก็ไม่เหลือปีที่รำเมรนักร้องที่ญี่ปุ่น กระโดดตึกฆ่าตัวตายมีวัยรุ่นที่ญี่ปุ่นกระโดดสะพานฆ่าตัวตายตามอย่างน้อยเจ็ดคนที่เมืองไทยอีกสองคนเพราะคิดฝุ่งซ่านว่านักร้องในดวงใจของตัวเองตายแล้วเขาก็อยู่ต่อไปไม่ได้คุณยอดรักตายแล้ว <c oughs> <c oughs> จากนี้ไปเมืองไทยจะให้ใครมาร้องเพลงเพราะเพราะอีก <c oughs> คือพวกฟุ้งซ่านนะอะนาเมคราบเคยเจอนักศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคนหนึ่งถูกแฟนบอกเลิกฟุ้งซ่านหนักหนาสหัดนะคุณผูมนะจนกระตั่งคิดค่าตัวตายแกเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์เพื่อนก็เคยเตือนผมแล้วว่าอย่างแกเนี่ยหมาเห่าเครื่องบินแกบอกว่าหมาเห่าเครื่องบินถ้าเห่าดังๆคนบนเครื่องก็ได้ยินนะเว้ย กเลดัดจริไปจีบรุ่นน้องทีนี้รุ่นน้องนั้นเป็นรุ่นน้องที่ไฮโซมากขับรถเบนซ์มาเรียนหนังสื อ, เ, สอเพื่อนๆ เ, เตือนแล้วก็ไม่ฟังเขาก็ไปหลงรักช่วงก่อนโปรโมชั่นที่คนทั้งคู่จีบกันนะอู้ยทุกอย่างดูดีหมดเลยน้องคนนี้มาเล่าให้แตงโมฟ้าฟังมาพระอาจารย์วันหนึ่งครับเราไปเที่ยว ง, งานที่ถนนเยาวราช เขาปิดถนนผมกับแฟนเดินกันหัวถนนจดท้ายถนนร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวแต่ผมก็ทำตามแฟนผมยังดีที่สุดเรื้องเอินรองเท้าใหม่ที่แฟนใส่มาเนี่ยสวมมาเนี่ยมันกัดเท้าแฟนเด็กกุ้งลงถอดรองเท้าให้แฟนนะแล้วก็ถอดถุงเท้าของแฟนออกมาแกบอกว่าพระอาจารย์ครับ รองเท้าของผู้หญิงที่เดินมาทั้งวันนะครับแล้วก็ถุงเท้าที่ซักเงือเธอมาทั้งวันมันเหม็นอภิมหาเหม็นแต่วันนั้นผมจำได้ว่าผมบันจงถอดถุงเท้าให้เธอแล้วไม่รู้สึกว่ามันเหม็นนะก็ผมรู้สึกว่านอนหอมที่สุดในชีวิต <c oughs> เท้าของแฟนมันบวมอะ่ะเขาก้มลงเป่าให้อ่ะ แก okay, บอกว่าถ้าให้ผมทำหลังจากเลิกกันแล้วนะผมอาจเจียนสวนออกมาเลยคือตอนที่รักนักรักหนาเนี่ยมองไม่เห็นข้อบอกพร่องวันหนึ่งถูกแฟนบอกเลิกเหตุผลก็แสนจะคลาสสิกเพราะพี่ดีเกินไปน่าแปลกมากนะมาลดเนี่ยดีเกินไปนี่เขาก็ไม่เลือกนะผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้ก็เหลือเกินนะ ถ้ามีผู้ชายที่มาเป็นแฟนและดีเกินไปก็จะบอกว่าเลิกทำไมไม่เร้าใจชอบโหดเลวดิบเนี่ยทำงานแทบลม้มแทบตายพอสิ้นเดือนสามีเอาไปเล่นหอยแทงให้รลซื้อหญ้าให้หมากินมีสามีอย่างเงี้ยชอบเพราะมันเร้าใจ เราใจตรงไหนมันเราใจตรงที่ว่าเงินที่ได้มาในกูจะได้ใช้กี่บาทน้องคนนี้พอถูกแฟนบอกเลิกฟุ้งซ่านถึงขนาดตะดสินว่าชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้อ่ะขึ้นไปบนยอดตึกที่สูงที่สุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยตัดสินใจกระโดดตึกขณะที่ขึ้นไปนั่งแล้วก็จำพึงรำพันถึงชีวิตที่อาพับอับโชคเหลือเกินอ่ะ จูจูบทกวีของสุนทรผู้ลอยมาน้องคนนี้เป็นกวีนะทุกวันนี้เขียนกวีพิมพ์รวมเล่มเป็นหนังสือขายกำลังเศร้าสุดๆคิดแต่จะหาวิธีฆ่าตัวตายให้ครั้นเสร็จและกำลังจะเขียนจดหมายฉบับหนึ่งพาดพิงถึงคนที่เขารักประมาณว่าราฉันตายและเธอจะต้องเดือดร้อนด้วยเพราะฉันวางแผนไว้แล้ว น่ไม่ธรรมดานะสมกับที่เรียนจุลานะตัวเงจะตายอยู่แล้วยังหมกเม็ดอ่ะนะเขาเขียนรำพึงรำพันไปในขณนะที่เขียนนะคุณโยมนะจิตประวัติถึงบทกวีนิพนธ์ของสุนทรผู้ลอยมานาะทีนั้นเขาบรรจงจดปากกาบันทึกกวีของสุนทรผู้ลงในสมดุดบันทึกไปบันทึกไปบันทึกไปองค์กวีคือสุนทรผู้ลงประทับ ลืมไปเลยว่าตัเองกําลังขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะฆ่าตัวตายเขียนกวีเขียนไปเขียนไปเขียนไปประมาณยี่สิบนาทีเพลินพอมันเพลินปุ๊บนะเขียนเสร็จปุ๊บเก็บสมุดดินอสอใส่กระเป๋ากดลิฟต์เดินลงมามารู้สึกตัวอีทีหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งแล้วแกก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะเมื่อกี้ฉันขึ้นไปชั้นดาดฟ้าเพื่อที่จะกระโดดตึกฆ่าตัวตายแล้วนี่ทำไมฉันมาเดินอยู่ชั้นหนึ่ง เออแต่จังดอารมณ์ไม่ได้แล้วไม่ตายเน้วฟุ้งซ่านเห็นไหเวลาเราคิดฟุ้งซ่านอะไรก็พาเราไปทําจิตนี่มันจะพาเราไปทําสารพัดอะไรก็ได้ทั้งนั้นเหมือนพระรูปหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมีวัดในในศาสนาพุทธนิกายเซนอยู่เยอะมากพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระบทใหม่ฝึก ส, สมาธิและจิตยังไม่นิ่ง จิตก็เลยฟุ้งซ่านเป็นธรรมดาว่าหนึ่งนั้นกําลังนั่งสมาธิตั้งแต่ตีสามจิตกําลังนิ่งใสติ้งเลยจู่ๆก็ได้ยินเสียงแมวตัวหนึ่งร้องท่านก็เลยสงสารแมวเดินออกมาหน้ากุฏิเห็นแมวกําลังน่ารักท่านก็เลยอุม้มแมวไปนั่งสมาธิด้วยนั่งได้สักพักแมวก็ร้องพอแมวร้องมิวขึ้นมาตัวนั้นเองนะ สองสามบอกว่าลูกอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปหาอาหารมาให้ลูกเดิอนออกจากวัดไปไปครอบประตูบ้านโยมโยมอาธามาขอบินทบบาท น, นมสแก้วสิเอาไปทำไมให้แมวยมก็ดีใจหาณนกะุญยมนะเทนมวัวจากเหยียบให้หลวงพ่อมาแก้วหนึ่งหลวงพ่อก็ประคองนมมามาถึงก็รินใส่ถ้วยให้แมวพอแมวมันได้กินปั๊บ หลับปุ๊ยเลยหลับตั้งแต่เช้าจะรดบ่ายพาอบ่ายมองแมวหิวร้องอีกทันนีที่มันร้องหลวงพ่อก็ลืมตาจากสมาธิถือแก้วเปล่าแปลกไปที่บ้านโยมโยมขอเนนทบานนมอีกสักแก้วสิไปทำไมให้แมวเราได้ใหม่แก้วหนึ่งได้นมมาก็เทยใส่ถ้วยแล้วแมวก็หลับยาว หมองเย็นหลวงพ่อกำลังนั่งสมาธิจิตกำลังนิ่งลึกแมวร้องอีกทีหนึ่งท่านก็ถือแก้วไปบ้านยอมโยมขอบินหน้าบาทนมไปสักแก้วซิแก้วแรกโยมก็รู้สึกดีใจที่ได้กักบาทแก้วที่สองชักลำคาญแก้วที่สามมองด้วยหางตาไม่ด่าแต่คุกคามด้วยสายตา ประมาณเที่ยงคืนคืนนั้นหลวงพ่อกำลังนั่งสมาธิแมวเดินวนไปวนมาร้องขึ้นใหม่ท่านไปอุ้มเข้ามานอนในห้องด้วยความสงสารคุณโยมเชื่อไหมรุ่งเช้าเจ4ก่อนที่ท่านจะสะดุ้งตื่นแมวร้องท่านก็เลยตื่นตามเสียงแมวสงสารแมวสมาธิก็มำได้นั่งก็ถือเอาแก้วน้ำเนะี่ยไปขอนอมจากโยมมาตี4นะคุณโยมนะไปเคาะบ้านโยม โยมก็มองด้วยหางตาว่าหลวงพ่อจะเมตตามากไปหน่อยละมัง้งโยมก็ชักหมันไส่แล้พ่อก็ได้นมมาแล้วก็รินให้แมวพอรินให้แมวเสร็จปั๊บนั่งสมาธิสิบนาทีแมวร้องต่อแมวก็เหมือนคนนะคุณโยมนะถ้าแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาแล้วได้รับการตอบสนองเขาจะทําซ้ำเหมือนคุณโยมทั้งหลาย ถ้างอนแล้วได้ผลนะสามีง้อนะก็จะทำต่อใช่ไหมถ้าบีบน้ําตาแล้วบีบน้ําตาเมื่อไรเขาอ่อนปวกเปียกทุกถี่เราก็จะเบีบน้าตาฝ่ายสามีถ้ามองภรรยานะถ้ามีปัญหานะซ้อมเมื่อไหร่เธอนิมฉันจะทำอีก <c oughs> นี่มนุษย์มีพฤติกรรมเหมือนแมว คือทําสิ่งใดแล้วได้รับการตอบสนองก็จะทําั้าพอแมวร้องทุกครั้งก็ได้ดมนมแมวก็ทําต่อหลวงพ่อก็บันนัวกว่าเอ๊สงสัยเราจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดท่านก็เลยคิดฟุงซ่านถ้ายังเป็นเหมือนเดิมเราจะต้องขอนมวัวจากโยมทุกวันทุกวันทุกวันท่านก็เลยคิดว่าเราต้องแก้ปัญหาคิดตามภาษาคนฟุงซ่านเดินไปหาโยมบอกโยมลาคาอาตมาไหม เจ้าค่ะลำคาญพอประมาณเจ้าค่ะถ้าคุณยมลำคาญอตาต ม, มานะตามามีข้อเสนอดีๆมาให้อะไรล่ะท่านอนตาตมาขอบินน้บบากวัวจัดยมยอมก็อยากจะตัดภาราใช่ไหมถวายวัวซะเลยหลวงพ่อจูงวัวเข้าวัดมาเอามัดไว้ใต้ถุนกกเตแล้วขึ้นมานั่งสมาธิ นั่งได้สักพักนั่งกุฏิโยกไปโยกมาเพราะวัวมันคลึงไงคุณครึงเสากุฏิท่านก็เลยลงมาแมวก็ร้องก็เลยอุ้มแมวมาวางใต้ทุกกุฏิแล้วท่านก็คิดว่าเอ๊ะนมวัวมันอยู่ตรงไหนมองไปมองมาเห็นนมวัวก็เลยเอาแก้วเนี่ยไปรองปรากฏว่านมมันไม่ไหลเพราะนมไม่ไหลท่านก็ไปตกหัววัวบอกไหลสัทีสิเว้ย วัวเลยเตะเข้าให้ไม่เหลือเลยเน่าผักโนองหมดเลยล้มลงไปคลุกฝุ่นหมดเลยถูกวัวเตะแต่น่านก็ไม่เลิกความพยายามนะเดินเน่าผักโนองเป่งเป่งเลยเนะ่ยไปถามโยมว่าอาตมาเจอฤทธินมวัวได้ยังไงโยมเขาก็สอนวันนั้นท่านก็เลยไม่ต้องทําสมาธิมารีดนมวัวพอได้น้ํานมวัวเสร็จแล้วก็ไปเทให้แมว คุณโยมเชื่อไหมเรียดได้สองวันน้ำนมวัวไม่ไหลท่านก็ฟุ้งซ่านตอว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรไปถามโยมโยมทำไมน้ำนมมันไม่ไหลเนี่ยโยมบอกว่าอ๋อสงสัยวัวไม่ได้กินหญ้าวัวนี่ต้องกินหญ้าด้วยหรือโยมหลงพ่อเพิพ่งรู้ใช่วัวต้องกินหญ้ากลับมาวัดถอดจีวรออกสวม ง, งอวเลยคุณโยม เดินลัดตัดตรงเข้าป่าเข้าดงไปไปไหนเกี่ยวหญ้าให้วัวในชีวิตไม่เคยคิดจะทําอะไรก็ต้องมาทํานะเกี่ยวหญ้าให้วัวพอหญ้าให้วัวเสร็จแล้วก็ไปรียดนมวัวหลวงพ่อก็คิดว่าเอทุกวันฉันต้องมานั่งรีดนมวัวส า, สายสายต้องไปเกี่ยวหญ้าให้วัวเวลาปฏิบัติธรรมฉันถ้าไม่มีฉันต้องหาวิธีแก่ตามภาษาคนคิดฟุ้งซ่านนะฟุ้งไปฟุ้งไป ไปครอประตูบ้านจโยมช่วยอาตมาหน่อยเถอะอาตมาไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยให้ช่วยอะไรเจ้าคะอาตมาว่าขอลูกสาวโยมหน่อยสิไปทําไมอยากให้ไปเกี่ยวหญ้าให้มัวโยมก็ตัดลาคาญแต่เอานั่งหนูไปช่วยหลวงพ่อหน่อยคุณโยมเชื่อไหมว่าผู้ชายกับผู้หญิงอยู่กใกล้กันนี้อันตรายมาก คุณโบราณท่านบอกว่าผานิพิชิตมดหรือจะอดบาดจะมีแม่เหล็กและเหล็กดีอะยะยั่วก็พัวพันผานิชคือน้ำตาลผานิทน้ำตาลเอาไปไว้ใกล้มดมดอดใจไหวไหมไม่ไหวหรอกผานิพิชิตมดน้ำตาลใกล้มดมดก็ต้องกินน้ำตาล แม่เหล็กและเหล็กดีอายุย่อก็ผัวพันเอาแม่เหล็กมาวางใกล้เหล็กจะดูดกันไหมก็ต้องดูดนะลูกสาวโยมมาเกี่ยวหญ้าให้วัวได้สองสามวันหลวงพ่อมองละมองลอดหน้าต่างกุเตแหม้วัวเราก็สวยแต่ถ้าเทียบกันแล้วคนเกี่ยวหญ้าสวยกว่าอาจมาอยากจะบอกว่าคนที่ไปปฏิบัติธรรมนะคุณยอมนะ ที่ไม่ได้เห็นเดือนไม่ได้เห็นตะวันบางทีก็เกิดความเก็บกดพระรูปหนึ่งซึ่งตอนนี้ลาสิกขาแล้วนะท่านเล่าว่าวันหนึ่งท่านไปปฏิบัติธรรมอยู่บนยอดเขาสามเดือนเต็มไม่ได้เจอคนเลยวันหนึ่งเดินลงมาบินนาบาทเห็นควายตัวเมียยิ้มให้ท่านท่านบอกอสวย ม, มากไม่เคยเห็นควายที่ไหนยิ้มสวยขนาดนี้ นี่ขนาดควายตัวเมียนะคุณเดมนะโอ้โหราสิขาเลยแต่ไม่ได้ไปแต่งกับควายนะภาพรูปนี้ก็เหมือนกันก็คือปฏิบัติธรรมมาแล้วก็เก็บกดพอผู้หญิงมาอยู่ใกล้ๆท่านก็แหมสวยทั้งวัวสวยทั้งคนเกี่ยวหญ้าหญ้าก็สวยมันสวยไปหมดนั่นเธอก็มาเกี่ยวทุกวันทุกวันเกี่ยวมาแล้วก็ให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ทอดย้าให้วัว เกี่ยวไปเกี่ยวมาเกี่ยวก็ไปเกี่ยวเอาจีวรหลวงพ่อเขา้าชีวรหลุดเลยก็เลยลาสึ่ข่าวออกมาแต่งงานอยู่กินกับพันธยาคนนี้อยู่กันมาได้แปดเก้าเดือนเธอก็คลอดพอคลอดออกมาเท่านั้นเองท่านเริ่มรู้แล้วว่านรกมีจริงท่านต้องเลี้ยงดูลูกต้องเลี้ยงดูพันธยา ต้องเลี้ยงดูแม่ของพันธยาและหลังบ้านของท่านก็มีวัวตัวขนาดเขิงๆอีกตัวหนึ่งและบนหลังวัวก็มีแมวอีกตัวหนึ่งวันหนึ่งลูกร้องหนมร้องไห้ปลอบยังไงก็ไม่หยุดพันธยาโยนลูกชายให้ท่านท่านก็อุ้มลูกชายทิศศึกใหม่ของเราทุกหนักหนาสหัดอุ้มลูกเดิน้าไปเดินเล่นในบริเวณวัด เดินไปเดินมาก็คิดสมเพชตัวเองว่าฉันไม่น่าราสี่ขาเลยไปจนถึงกุฏิหลังเก่าของตัวเองก็ไปมองกุฏิฉันเคยฝึกสมาธิภาวนาอยู่ที่นี่เลื่อมความร่มเย็นเป็นสุขนั้นดูซิเนะี่ยตอนนี้ฉันต้องมาเลี้ยงลูกให้ชาวบา้านชีวิตฉันทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันแย่ไปหมดเลยมองกุฏิของเรงมองไปมองมาสายตาก็ไปปัทะเข้ากับแมวตัวนั้นพอดี เรารำพึงขึ้นมาว่าเพราะแกทีเดียวนั่นนังแมวชีวิตฉันถึงยุ่งดยขนาดนี้แมวก็ขาดรับเนี่เพราะแมวตัวเดียวพลารูปหนึ่งเสียผู้เสียคนสะท้อนว่าอะไรชีวิตคนนั้นถ้าปล่อยให้คิดฟุงสัานนะชีวิตมันกำลังไปของมันดีๆถ้าคิดไม่เป็นตระเลิดออกนอกทางเลยนี่คือตัวอย่างการคิดฟุงสัน้น เช่นเดียวกันเหมือนกับผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันมากวันหนึ่งเดินผ่านแผงลอตเตอรี่ที่ถนนราช ด, ดำเนินคุยกันฮถ้าฉันซื้อลอตเตอรี่นะถูกรางวัลที่หนึ่งนะฉันจะซื้อรถเบนซ์เอาระดับห้าล้านเพื่อนอีกคนก็บอกว่า แล้วรถของแกเนี่ยจะให้ฉันนั่งหมหเพื่อนก็บอกแกจะนั่งรถฉันได้ไงแกก็ต้องหัดซื้อรถเองสิก็ได้งั้นฉันก็จะซื้อรอตเตอรี่เหมือนแกถ้าฉันถูกรางวัลที่น่งนะฉันจะสร้างถนนวะเอาให้เจ๋งที่สุดเลยแล้วก็สร้างทางด่วนแล้วเก็บตังค์แกตั้งทางด่วนใช่ไหมใช่ ทีนี้รถเบนซ์ของฉันเนี่ยมันวิ่งผ่านทางด่วนแกได้ปะ่ะเรื่องอะไรฉันจะให้รถแกมาวิ่งทําไมแกไม่ให้วิ่งวะเอา้าก็แกอยากไม่ให้ฉันนั่งรถแกทําไมเอา้าพวกนี้ก็สวยสิเอาไงก็เอากันสิวะสักพักเดี๋ยวต่อยกันพุ่งเลยเลือดกอบปากคนข า, าเราเจอรียกวิ่งมาห้าม พี่ใจเย็นๆก็ได้ถ้าเลาะ ก, กันด้วยเรื่องอะไรก็ไอหมอเนี่ยมันไม่ให้ฉันนั่งรถมันอะ่ะก็มันน่ะสิไม่ให้ฉันเอารถไปริ่งบนถนนมันอะ่ะแล้วรถคนอยู่ไหนยังไม่ได้ซื้อถนอนคนอยู่ไหนยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เลยนี่คนขายก็ต้องถึงกับสังเวชเพราะอะไรความคิดฝูงซ่านอ่ะคุณยอมเห็นแลอ้อยัง มนุษย์นี่มันเต็มไปด้วยความคิดพุ่งสั้นอาต ม, มาเคยเจอวัยรุ่นคนหนึ่งที่มาทําสังฆทานกับอาต ม, มาน้ําหูน้ําตาไหลตาหามาถามว่าทําไมน้ําตาไหลล่ะลูก อ, อกหักครับผ้าจารย์ อ, อกหักยังไงแฟนบอกเลิกหรือไม่ได้บอกเลิอกอ่ะครับแต่ว่าผมจีบเขาข้างเดียวมาครึ่งปีแล้วและยังไงต่อวันหนึ่งผมมาคนพบความจริงว่าเธอมีแฟนแล้วอ่ะครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าผมมัน อ, อกหักไปแล้วนี่ขนาดผู้หญิงเขาไม่รู้เรื่องเลยนะถึงขั้นทาสังทานนะคิดดูสิและยังปากดีนะคุณเดมนะบอกอาตมาว่าผู้หญิงคนนั้นช่วยโอกาสเจอคนที่ดีที่สุดไปแล้ว <c oughs> นี่สะท้อนความคิดที่ฟุ้งซ่านไม่ได้ผลอะไรฉะนั้นถ้าเราจะคิดต้องคิดให้เป็น แต่คิด้เป็นก็ต้องคิดเชิงบอกแต่ก่อนจะคิดเชิงบอกก็จะบอกวิธีคิดเชิงลบก่อนวิธีคิดเชิงลบก็คือคิดแล้วตัวเองแย่คิดแล้วคุณภาพชีวิตไม่ดีคิดแล้วต่าต้อยคิดแล้วมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยคนที่คิดในเชิงลบอย่างนี้นะไปอยู่ในที่ไหนก็ทำให้อะไรๆมันแย่ลง เช่นเรามาอยู่ที่นี่โอ้โหนั่งรถจากกรุงเทพมานี่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะถ้าคิดลบเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นกรรมของฉันนั่งรถจากฝั่งทนแล้วมาทำงานที่นี่จะไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะไม่มีกินทนลำบากตากตำแทบล้มประดาตายนั่งรถเมมา รถเมย์ก็ร้อนเหมือนกับนั่งอยู่บนเตาแกส๊สมาทำงานนะเพื่อนร่วมงานก็ทำตัวเป็นเจ้ากรรมนายเวร <c oughs> อยากจะลาออกวันละสิบหลชีวิตก็แย่มากๆนี่คือคิดลบแต่ถ้าคิดบวกนะอยู่ฝังทนนั่งรถมาทำงานที่นี่ โอโหทุกทุกวันฉันได้บำเพ็ญขันติบารมีในเมืองไครใครจะโชคดีเท่าฉันฉันนั่งรถทุกเช้าทุกเย็นและแต่ละวันฉันได้เจอเพื่อนใหม่ๆหม่บนรถเมลตลอดเวลาและนั่งจากฝั่งทนมาถึงที่นี่โอโหฉันได้เห็นคนเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นอะไรเยอะแยไปหมดเลยชีวิตในมันเดินรมมากพอมาทำงานปุ๊บ เพื่อนร่วมงานที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของฉันนะั้นมีอยู่ทุกตึกเลยก <L> ารที่เขาอิจฉาเราแสดงว่าเราจะต้องเป็นคนเก่งจริงๆ <L> ใช่ไหม <L> ไม่งั้นไม่มีใครมาเสียเวลาอิจฉาเราแน่ๆนี่เห็นไหมพอคิดบวกเนี่ยเรื่องเสีย ห, หายก็มองให้เป็นบวกได้แต่คนส่วนใหญ่คิดบวกไม่เป็นเต็มอยู่ที่การคิดลบเช่นพระรูปหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลีย ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาชุงที่สร้างวัดป่าใหม่ๆท่านก็ก่ อ, อกำแพงวัดเองก่ อ, อกำแพงเสร็จแล้วอิดประมาณพันก้อนมีอีดสองก้อนที่พลอมาไม่เป็นแถวไม่เป็นแนวเพราะฝีมือจังสมัครเล่นอีดเก้าร้อยเก้าสิบแปดก้อนสวยหมดเลยเวลาแขกมาชมวัดท่านจะพาชมจุดโน้นจะพาชมจุดนี้ แต่พอเดินมาถึงจุดที่อิดไม่สวยท่านจะรีบรีบเดินก้าวเท้าชับชับชัไม่อยากให้ใครรู้ <S <S จะเป็นอย่างนี้มาตลอดท่านรู้สึกขยหน้าอยู่มาวันหนึ่งมีสถาปนิกคนหนึ่งมาเยี่ยมวัดสถาปนิกคนนี้ก็เดินมาชมโน่นชมนี่แล้วก็มาชมกำแพงสถาปนิกก็บอกว่าหลวงพ่อกำแพงที่นี่ใครก่อนนะมันสวยจังหลวงพ่อบอกไม่สวย แต่ผมไม่สวยนะครับหลวงพ่อไม่สวยหลบโยมที่อื่นสวยกว่านี้เยอะจูงแขนโยมเดินไหนยโยมเห็นท่านลุกนี้ลุกหลนก็เลยมองโดที่กําแพงเห็นอิฐสองก้อนโผล่แซมออกมาสถาปนิกก็ชี้หลวงพ่อวิธีอิฐสองก้อนนี้โผล่มาได้ยังไงเนี่ยหลวงพ่อหน้าชาเลยเพราะรู้สึกละอายแต่สถาปนิกมองอิฐมุมหนึ่งนะสถาปนิกมองว่าหลวงพ่อมิเศษเลยอะ อีดสองก้อนนี้โปรกมาเป็นปิศนาธรรมใช่ไหมพราะชีวิตคนเราประกอบไม่กายกับจิตสุดยอดไอเดียเท่านั้นเองนะหลวงพ่อให้ก่อกำแพงนี้หลวงพ่ออาจจำมาเอง<笑><笑><笑>เห็นไหมตอนแรกมองโลกในแง่ลบเล่นหนีกำแพงแห่งนั้นตลอดเวลาเห็นไหมอิดสวยๆเก้าร้อยเก้าสิบแปดก้อนท่านมองไม่เห็นความดี ท่านเอาสองมาลบเก้าร้อยเก้าสิบแปดอ่ะคนคิดลบมองสิ่งที่ดีๆให้เสียหายหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดลบตลอดเวลาสิ่งดีๆในชีวิตของเราจะไม่ผ่านเข้ามานะอาจารย์เคยไปบรรยายในโรงงานอย่างเงี้ยคุณโยมมีบริษัทแห่งหนึ่งมาติดต่อ น, นี่มัประธานบริษัทและ c ี o โอมาเองนัากาิจายครับพระอาจารย์ ผมศรัทธาพระอาจารย์มากอย่างนี้มันพระอาจารย์ไปบรรยายที่บริษัทของเราบริษัทอยู่ไหนโยมอยู่กรุงเทพครับสำนักงานใหญ่คนฟังเยอะไม่โยมพันกว่าคนครับที่นู่นมีจอโปรเจคเตอร์สิ่งจ๋งแบบที่นี่ไหมมีครับท่านอาจารย์เครื่องเสียงพร้อมไหมพร้อมถ้างั้น อาตมายินดีไปอาตมาก็บอกให้เขาเตรียมโปรเจคเตอร์เตรียมเครื่องเสียงแล้วก็คนเป็นพันอาตมายินดีไปพอนี่มนเสร็จแล้วนะพอปลากินเหยื่อเรียบร้อยนะถึงเวลาไปบรรยายจริงๆนะให้ฝ่ายบุคคลโทรมาบอกว่าผู้ใหญ่จะให้ไปเทศที่โรงงานที่สมุตสาครเอา้าไม่ใช่สำนัก ง, งานใหญ่เหรอ โอ้สำนัก ง, งานใหญ่นั้นไม่เป็นที่ทำงานของผู้ใหญ่ครับอาจารย์แต่จะให้ไปเทศนะ่ะอยู่ที่สมุทรสาครครับเอาแล้วไหมล่ะรับนิมนต์แล้วก็ต้องไปใช่ไหมอาตามาก็ไปก็เตรียมสื่อเตรียมอะไรไปเยอะมากคือเวลาอาตามาบรรยายที่กรุงเทพจะมีแต่คนรู้จักอาตามาใช่ไหมพอไปที่น่นเนี่ยทุกคนก็จะทำงานหามรุ่งหามค่ำอยู่ในโรงงานแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะอันตาม า, าพับไปถึงไม่มีใครตื่นเต้นทุกคน ไม่ก็ได้ดูโทรทัศน์เราเพราะทำโอทตลอดไงใช่ไหมไม่ก็ได้ดูผิดกับที่กรุงเทพมากอาจารมาภาพเดินเข้าไปนี่บางทีตัวลอยตลอดเลยเดินบนพรมแดงพอตรงนั้นอัจารมาภาพเดินเข้าโรงงานไปไม่มีคนสักคนในในห้องประชุมนะและห้องประชุมที่ว่าก็คือโรงอาหารเวลาบรรยายก็คือเที่ยงถึงบ่ายโมงซึ่งเป็นเวลาที่พนัก ง, งานออกมากินข้าว สักครั้หนึ่งก็ได้ินเสียงเกร็งดังพนักงานทุกคนก็มานั่งกินข้าวเสียงคุยกันดังจงุงจิงจงจิงจงจงิจ ง, จงโอ้โิ่งกว่าตลาดแตกอะคุณผู้ชมอาตมาก็เป็นพระตัวเล็กๆขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนทุกแห่งนะเวลาอาตมาพับขึ้นไปถ้าเป็นที่ที่รู้จักนะเขาจะนิ่งเกรงในรัสมัยเราที่นั่นอาตมาพับขึ้นเป็นนั่งนิ่ง ข้างล่างมันกินข้าวกันอยู่เสียงถ้วยจารย์ชามกระทบกันนี่พันกว่าคนนะคุณโยมนะแล้วมีหนุ่มสาวคนหนึ่งหันมามองบนเวทีเธอพระมาทําไมโอ้โหเจ็บปวดในหัวใจพระมาทําไมถามมาได้ไงฉันครับนี่มันลงแม่ถามเดือนแล้วคู่นี้มันหาม่าฉันมาทําไม เราก็เลยใช้ไม้เด็ดของเราเลยนะฮะอตมาก็มีไม้เด็ดถ้าเจอคนเยอะๆแล้วเอาไม่อยู่นะอตมามีไม้เด็ดของอตมาอตมาจะเอาละคขังขึ้นมาเคาะเนี่ยเสียงดังมากใช่ไหมเจอละคขังชั้นละเสร็จนะเคาะเลยทุกคนนะที่กําลังทานข้าวอยู่หันมามองพระเป็นตาเดียว สักพักหนึ่งมีคนยกมือหลวงพ่อคิดว่าที่นี่เป็นวัดเื่งไงครับโอ้โห <laughs> เจ้อของแข็ง <laughs> สงสัยหัวหน้าสหภาพ <laughs> ปกติมันจะกดคนอยู่ทุกงานนะ <laughs> ที่มหาวิทยาลัยเกษตรเด็กหมื่นคนนะอตาตมาคอทีเดียวมิ่งเลยนะที่นั่นพออตาตมาข้อต๊บ หันมามองอัตมาภาพด้วยความสมเร็โอ้โหแต่อาตมาเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะแม้สถานการณ์จะลบมาโดยตลอดนะคือได้ไปบรรยายก็ไปบรรยายที่โรงงานสองต่างจังหวัดสามเวลาที่พนัก ง, งานทานข้าวสี่มีแต่นายเท่านั้นที่ปลื้มเราพนักงานแทบไม่รู้จักเพราะอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเวลาดูทีวีก็แทบไม่มีทาไงต่อละ พูดไปพูดไปสักพักหนึ่งไม่ลอยเนี่ยเสียงหายไม่ลอยเนี่ยแต่พระพาเได้นําให้ใช้นะะงานสําคัญสำคั ญ, ค ญ, คญทุกครั้งเสียงมันขาดพอไม่ลอยขาดปุ๊บทําไงละ่ะพนักงานข้างล่างก็กินข้าวแข่งกันอยู่แล้วอะนะ บ, บ่งเบงเบงเบ ง, บงเสียงยิ่งขาดหัวหน้านฝ่ายบุคคลบอกพระอาจารย์เราแป๊บนึ่งผมเตรียมสํารองไว้นะครับวิ่งก็ไปในกดังกลับออกมานะถือโทรศัพท์มา คุณยอมเชื่อไหมวันนั้นเป็นวันที่ธรรมาภาพรู้สึกว่างานนี้นะเขาเอาพระระดับแม่ทัพนะ่ะเอาพระระดับแม่ทัพมาหัดทาสวนครัวมันคนละเรื่องเลยอะ่ะเอาโทรศัพท์มาแต่ธารมาเป็นคนมองโลกในแง่บวกยังไงเราต้องรักษามาตรฐานในการเทศของเราก้มหน้าก้มตาเทศสักพักหนึ่ง โทรขงเอาไม่อยู่ก็เลยบอกว่าจากนี้ไปธรรมาภาพจะเปิดรายการโทรทัศน์ให้พวกเราดูพร้อมกันนี่ลูกเสือก็แผ่นใส่เข้าไปขึ้นจอมีแต่ภาพว่างเปล่านี่ยังดีนะขึ้นจอแล้วมีแต่ภาพว่างเปล่านะถ้าขึ้นจอแล้วมีเป็นหนังโป้เนี่ยเหมือนที่ปีหนึ่งที่โผลมาในโทรทัศน์วงจรปิดในสนามเบนนะ่ะนะ พนัก ง, งานเอาแผ่นหนังโป๊ใส่เราได้ดูกันทั้งสนามเวนเลยลูกศิษย์มาบอกอาตมาว่าแผ่นที่เตรียมไว้อยู่ที่โต๊ะทำงานพระอาจารย์แผ่นที่หยิบมาผิดครับคุณโยมเชื่อไหมวันนั้นเป็นวันที่อาตมาภาพได้เรียนรู้ที่จะใช้การมองโลกในแง่บวกคือสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นลบทั้งนั้นนิธีสุดท้ายทำยังไง สมาก็บอกว่าพวกเราทุกคนคงจะทำงานหนักเราน่าจะมาพักใจกันบ้างไหมเชิญทุกคนหลับตาปิดปากวางช้อนนั่งสมาธิปรากฏว่าได้ผลนะคนุณดมนะพอรู้ว่ามาถูกทางเอาแล้วว้ยฉันจะเอาคืน เอาเลยยี่สิบนาทีเอ้มันรู้สมบัณสุดท้ายนะวันนั้นอาจาภาพเลยแสดงทำเรื่องความเงียบคือให้นั่งสมาธิอย่างเดียวกลับมานะฮะฝ่ายบุคคลยังโทรมาบอกว่าวันนี้พระอาจารย์เทศดีมากแต่ถามว่าจะมาเข็ดไหมคำตอบคือไม่เข็ดไม่เข็ด เพราะอะไรอัตมาเป็นคนมองโลกในแง่บวกอัตมาบอกตัวเองว่าวันหนึ่งข้างหน้าฉันจะจ้องเจอสถานการณ์ที่หนักหนาสหัสกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์ที่ฉันได้เจอมันจะทำให้ฉันมีประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้นเห็นหรือยงังถ้ามองในแง่ลบนะอัตมาภาพจะบอกตัวเองว่าตั้งแต่บัดนี้สืบไปถ้าเจ้าของโรงงานมานิมนเข้าไเจ้าจะไม่ไป ถ้ามองในแง่ลบไม่ไปแต่ถ้ามองในแง่บวกอัตมาภาพถือวันนั่นก็คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของอาตมาครั้งหนึ่งพระอาจารย์พยอมท่านเล่าว่ามีคุณยอมคนหนึ่งมานิมนต์ท่านไปแสดงธรรมในงานพระราชทานเพลิงศพทีนี้พอรถมารับแล้วก่อนจะไปถึงงานพระราชทานเพลิงศพรถติด พระอาจารย์พยอมไปถึงวัดเวลาสี่โมงครึ่งองค์ขบนตรีจะนำไฟพระราชทานมาประมาณห้าโมงพอพระอาจารย์พยอมไปถึงวัดสี่โมงครึ่งไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาขึ้นนั่งบนธรร ม, ม์ให้สินให้สินได้สามข้อมรคนายกมกสิทธิ์พระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับไม่ต้องเทศนะครับ ไฟมาแล้วครับองค์กมนตรีมาครับไฟก็มาพอดีไฟมาแล้วยังไงไฟมาก็ได้เวลาเผาสิครับเอา้าแล้วกันนี่มนชั้นมาทําไมนี่มนมาแล้วไม่เทศเนี่ยตั้งแต่นั้นพระอาจารย์พระยอมบอกว่าถ้ามีงานพระราชทานดวงศกมานนี่มนท่านไปท่านไม่ไปเพราะอะไรไปแล้วไม่ได้เทศ ไปกลัวไปเจอไฟพระราชาทานเพลิงเห็นไหมถ้าเรามองในแง่ลบเราจะสูญเสียโอกาสดีๆมากมายในชีวิตนะแต่ถ้าคุณยมมองในแง่บวกสิ่งดีๆในชีวิตมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นสมมุติวันนี้เรามานั่งฟังตรงนี้นะหลายคนอาจจะรู้สึกร้อนใช่ไหมหลายคนอาจจะรู้สึกร้อนถ้ามองในแง่ลบเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โห ทำไมชีวิตฉันนะต้องมานั่งฟังพระตอนเย็นๆนหิวก็หิวคิดถึงบ้านก็คิดตัวร้อนก็ร้อนง่วงก็ง่วงนี่ก็คิดในงแง่ลบอยากจะลุกเหนีแล้วถ้าคุณกำลังคิดจะลุกเหนีดนะอาตมาจะเทศยาวขึ้นเรื่อยเพราะอาตมาภาพคิดในแง่บวก คิดในแง่บวกว่าถ้าโยมคิดจะหนีแสดงว่าบารมียังไม่ดีอัตภาพต้องเพิ่มบารมีแต่ถ้ามองในแง่บวกการที่เรามานั่งแล้วมันร้อนเราจะได้บอกตัวเองว่าถ้าแค่นี้เราทนไม่ได้วันหนึ่งข้างหน้าเราเจอปัญหาหนักกว่า น, นี้เราจะเป็นทนอะไรไหวใช่ไหมนี่คือวิธีคิดทั้งบวกทั้งลบถ้าคิดเป็นก็เป็นประโยชน์เช่น เราอยู่กันเป็นสองสามพันคนวันหนึ่งหัวหน้าแผานกก็เรียกเราไปด่าสามชั่วโมงกลับออกมาคนที่คิดลบกลับไปเขียนใบลาออกคนที่คิดบวกกลับออกมายิ้มเื่้นถามว่าพี่ไม่เป็นอะไรเลยหรือถูกด่าสองสามชั่วโมงแกบอกว่าเธอคิดเดือสิบริษัทเราคนสามพัน เจ้านายเลือกเดียวกับพี่ตัวต่อตัวถ้าพี่ไม่เจ็งจริงนะเขาไม่เรียกไปคุยหรอกเพราะฉะนั้นให้มันรู้สบังเห็นแล้วยังหัดมองในแง่บวกเป็นไหมถ้ามองเป็นก็เห็นธรรมถ้ามองไม่เป็นก็เห็นทุ๊กที่สวนโมกับพระารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมัยทัานพรอาจารย์พระธทท่านเป็นเจ้าอาวาสมีพระรูปหนึ่ง ท่านไม่ทําอะไรเลยคุณยอมในหนึ่งวันตื่นมาข้อระคขังแล้วก็เข้านอนแค่นั้นตื่นตีสามข้อรักขังให้เพื่อนลงไปสวมดมนต์แล้วนอนวันหนึ่งเพื่อนๆ เ, เข้าชื่อกันเป็นบัญชียาวเป็นหางว่าวขอให้ท่านอาจารย์พุทธทาสไล่พระรูปไห้ออกอาจารย์พุทธทาสเรียกประชุมพอประชุมปุ๊บท่านก็ น, นิมนต์พระรูปนี้มาถามว่านี่เธอพระทั้งวัดเขาขอให้ฉันไล่เธอออก เขาบอกว่าเธอไม่ทําอะไรตื่นสายไม่บินธบาตไม่กวาดวัดหลวงพ่อขอถามหน่อยในชีวิตนี้ตั้งแต่บวชพระมาแล้วเธอทําอะไรพระรุ่นั้นก็บอกหลวงพ่อครับผมตื่นตีสามครับแล้วผมก็เดินไปที่หอระฆังทุกทุกเช้านะครับหลวงพ่อผมก็จะไปขอระฆัง ข้อรักังแล้วเธอไปไหนกลับไปนอนครับทั้งวันเลยใช่ไหมครับท่านพู้ใดท่านเป็นพระที่มองโลกในแง่บวกท่านบอกว่าอืมอย่างน้อยๆ น, นะเธอก็ยังมีประโยชน์ด้วยการข้อรักขังทุกเชา้าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่ไล่เธอออกนกอยู่ต่อไปก็แล้วกันเห็นไหมถ้าเรามองโลกในแง่บวกคุณยอมจะเห็นว่า คนทุกคนมีแง่มุมที่เดียอยู่ใช่ไหมถ้าเราอยู่กับนายนายของเราเป็นคนที่เข้มงวดมีลักษณะนิสัยสมบูรณ์แบบนี่ยอมเก็บทุกเม็ดประมาณคนย่าละเมียดคนแม่และไม่คนนายละเยอะเก็บทุกเม็ดถ้ามองโลกในแง่ลบเราก็จะบอกตัวเองว่ากรรมแต่ปางไหนให้ฉันต้องมาเจอนายชนิดเชน่นนี้ แล้วเราก็จะทํางานกับเจ้านายไม่สนุกแต่ถ้าเรามองโลกในแง่บวกเราจะบอกตัวเองว่าการที่นายของฉันเป็นคนละเม็ดลําใหม่นั่นสะท้อนว่านายกําลังสอนให้เราเป็นคนรอบคอบดีไหมนี่ก็จะได้เริ่มดีๆขึ้นมาเห็นหรือยังหรือจู่ๆหัวหน้าก็มอบงานหนักๆให้เราทําคนอื่นเป็นร้อยไม่มอบมอบงานหนักๆให้เราทํา ถ้ามองโลกในแง่ลบเราก็จะบอกว่าสงสัยเจ้าหัวหน้าเนี่ยต้องการแกล้งเราสักวันดนังเถอะฉันได้เป็นหัวหน้าเมื่อไหร่ฉันจะเอาเขินนี่มองในแง่ลบก็มีแต่ศัตรูเต็มไปหมดแต่ถ้ามองในแง่บวกนะหัวหน้ายโยนงานหนักๆให้ทําเราก็บอกตัวเองว่าแสดงว่าหัวหน้าจะต้องเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวฉัน ถึงไว้ใจให้ทํางานใหญ่ถ้างานนี้สําเร็จแสดงว่าเรามีโอกาสได้เลื่อนสูงมากมามนี่ถ้ามองในแง่บวกอย่างนี้ดีไหมชีวิตมันก็จะดีแล้วเราก็จะสามารถทนทํางานต่อไปนายเรียกไปตาําหนิเราก็ไม่ใจส่อขอลาออกใช่ไหมได้เจองานหนั ก, หกๆก็บอกตัวเองว่าดีจะได้ฝึกตัวเองนายเป็นคนละเมียดละไมก็บอกตัวเองว่านายกําลังสอนให้เราเป็นคนรอบคอบ เพื่อนของเราเป็นคนช่างบ่นช่างเนนทาทุกทุกวันเขาจะต้องทําตัวเป็นเจ้ากรมข่าวร้ายแห่งชาติใครทําอะไรที่ไหนรู้หมดรู้แล้วไม่เก็บคนเดียวต้องมันเล่าฉัดฉัดฉัดฉเราก็ไม่อยากฟังแต่พอฟังแล้วก็อยากรู้ทุกๆุกวันเรามีเพื่อนร่วมงานแบบนี้ถ้ามองในแง่ลบ โยมก็คงจะบอกตัวเองว่าเป็นกรรมของฉันชาติที่แล้วคงไม่ตั้งใจฟังเวลาพระเทศชาตินี้เศษกรรมเลยจำแรงมาเป็นเพื่อนคี้นินทาแล้วส่งให้มาอยู่ใกล้ๆหูเรามองในแง่ลบเราก็จะโทษอะไรเยอะแยะแต่ถ้ามองในแง่บวกเราก็จะบอกตัวเองว่าการที่เพื่อนเป็นคนปากไม่มีหูรูดทำให้เรารู้ว่า เราจะต้องไม่เป็นคนอย่างนั้นคนไม่ดีสอนเราให้เรียนรู้ว่าจะเป็นคนดีได้อย่างไรคนที่ผิดพลาดสอนเราให้เรียนรู้ว่าจะก้าวให้ถูกได้อย่างไรคนที่ขี้เกียจสอนเราให้เรียนรู้ว่าถ้าเราเป็นคนขยันเราจะมีอนาคตที่ดีกว่าคนขี้เกียจอย่างไรเห็นไหมว่าในสิ่งที่ลบๆทั้งหลายถ้ามองบวกหรือคิดเชิงบวกนะคนเดิมนะ ได้ปัญญาทั้งนั้นปรารถของจีนคนหนึ่งชื่อของจื้อเล่าไว้ว่าถ้ามีคนเดินผ่านหน้าข้าพเจ้าสองคนสองคนนี้เป็นครูของข้าพเจ้าได้ทั้งคู่ลูกศิษย์ถามว่าเป็นครูยังไงครับอาจารย์ปรารถก็บอกว่าสําหรับคนดีข้าพเจ้าบอกตัวเองว่าข้าพเจ้าจะต้องเอาอย่างเขาสําหรับคนชั่วข้าพเจ้าจะเตือนตัวเองว่าจงอย่าได้เจริญรอยตามเขา คนยดมเห็นนะคนมองโลกในแง่บวกนี่กําไรตลอดเวลาเราต้องหัดมองอะไรในแง่บวกอย่างนี้ น, นะคนุณดมนะถ้าเรามองบวกเป็นเราก็เป็นสุขเหมือนคุณตันโอิชิเจ้าของชาเขียวพวกเราคงเคยเดื่มชาเขียวใช่ไหมคุณตันโอิชินี่ยทำชาเขียวแล้วก็รวยมากๆจนกระทั่งถูกอิจฉาก็มีคนทําชาโน่ชานี่ออกมาตีกันเยอะแยะไปหมดสู้ชาเขียวไม่ไหววันหนึ่ง ก็มีคนเปิดขวดชาเขียวและพบสารปนเปื้อนหนังสือพิมพ์ก็ทำข่าวใหญ่โตมหหลานย่อชาเขียวสุดหววเลยคนยอมหายไปร้อยกว่าล้านพนักงานหดหู่ผู้บริหารคิดกันถึงขนาดว่าคงล้มครืนแน่แน่คราวนี้พอธุรกิจกำลังตั้งตัววงเงินเข้ามาแต่ละวันสูงมมกคนดื่มชาเขียวแทนน้ำช่วงนั้น แต่จูๆก็มาเจอว่ามีสารปนเปื้อนในขวดชาเขียวแล้วสื่อเล่นข่าวขนาดนี้ทุกคนไม่มีมองไม่เห็นว่ามันจะเดินไปได้ไงแต่คุณตันโออิจิเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกหายไปสองสามวันแกกลับมาเปิดแคมเปญใหม่ฝาขวดของชาเขียวฝาละล้านตั้มลงไป ส่งชาเขียวเป็นขายเหมือนเดิมวันต่อมามีคนเปิดแล้วก็เจอหนึ่งล้านคุณตันโอยชิบินไปพร้อมนักข่าวโทรทัศน์หนังสือเพลมเป็นยี่สิบฉบับยี่สิบสำนักบินไปมอบเงินหนึ่งล้านถึงที่รับรายงานข่าววันนั้นทั้งวันคนเล่นข่าวคุณตันบินไปมอบเงินหนึ่งล้านบาทเงินเป็นฟ้อนเป็นฟ้อนแล้นะเอาไปให้เป็นตั้งเลยดึงชาเขียวมีติดลุ้นเงินล้าน แล้วดีกว่าหวยตรงไหนหวยเดือนหนึ่งออกสองวันชาเขียวออกทุกวันอาทิตย์เดียวชาเขียวยอดขายตีตื่นรวยระเบิดระเบ้อจนทุกวันนี้คุณตันโอชิก็ประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของเมืองไทยจากที่มีเงินสามแสนตั้งต้นเปิดร้าน รับถ่ายรูปให้คู่บ่าวสาวเจ๋งไม่เป็นท่าทุกวันนี้ผู้ชายคนนี้มีเงินอยู่ในมือประมาณสามพันล้านบาทจากการขายหุ้นโออิชินะกลายเป็นนักบริหารมืออาชีพฉะนั้นคนจำนวนมากที่เห็นอะไรแล้วมองในแง่ลบชีวิตจะติดลบแต่ถ้าเขาเป็นคนคิดในเชิงบวกชีวิตเขาก็จะเจอแต่เรื่องบวกตลอดเวลาคุณยมใช่ไมว่าทุกสิ่งที่มันไหลเข้ามาหาเรานะ เกิดจากความคิดถ้าเราคิดบวกสิ่งดีๆจะไหลเข้ามาถ้าเราคิดลบสิ่งลบๆจะไหลเข้ามาสังเกตสิถ้าเราเป็นคนดีนะคนดีๆจะไหลเข้ามาหาหาเราอย่างตมาเป็นพระนักวิชาการคนที่ชอบพระเครื่องนะชอบตะกรุดชอบของขลังชอบประหลัดอำเภอพวกนี้ไม่เคยมาหาตมาเลยนะกลัว มหาต a m คนที่มาหาธรมาก็มีแต่ครูบาอาจารย์นักปรานญญาชนนักธุรกิจคนในวงการบันเทิงยุะได้ไปหมดไหลมหาธรรมาเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนที่ทำอะไรบวกตลอดเวลานะถ้าธนบาญทำอะไรลบๆนะคนลบๆจะมา ชั้นีชีวิตของเราจะพบอะไรจะเจออะไรอยู่ที่ว่าเราส่งพลังความคิดบวกหรือลบออกไปถ้าเราส่งพลังความคิดในเชิงบวกออกไปนะคุณโยมนะชีวิตจะบวกตลอดถ้าเราส่งพลังความคิดในเชิงลบออกไปชีวิตจะลบขอเล่าถึงตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งน่าจมารู้จักคุณสุทธิชายยุนคุณสุทธิชายยนเนี่ยสมัยก่อนก็ผมเยอะเหมือนกันนะ แล้วมันค่อยๆร่วงไปเรื่อยๆนะ ร, ร่วงไปร่วงไปร่วงไปร่วงไปจนแกหันมาใช้นามปากกาเวลาเขียนหนังสือว่าเดิมเคยดกเดิมเคยดก <c oughs> <c oughs> ผมมันเคยดอกอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ต่อมาแกเห็นว่ามันร่วงอยู่แล้วโกนเพราะแกโกนทิ้งตัว น, นั้นแกดังระเบิดระเบอยเชื่อไหม ต่อมาลูกชายแกกลับจากเมืองนอกคุณปราบดาหยุ่นนะโกนผมเหมือนพ่อเลยดังเหมือนกันต่อมามาไว้ผมไม่ดังวุ่นุดที่ใจหยุ่นทุกวันนี้ก็เลยเป็นเอกลักษณ์คนเดียวนะโกนผมตลอดเตียนเลี่ยนเลยคุณผู้มผู้ชายคนนี้ประสบความสำเร็จออกจากบ้านแม่และพ่อมีปัญญาแค่ให้เงินเป็นค่าตัวรถไฟจากหาดใหญ่เข้ากรุงเทพ คุณสุดที่ใจหันไปถามแม่ว่าแม่แล้วเงินขากลับอยู่ไหนแม่บอกว่าแกไปหาเอาข้างหน้าเชื่อไหมผู้ชายคนนี้ออกจากบ้านมาแล้วเป็นคนคิดบวกตลอดก่อนจะออกจากบ้านพ่อให้ไปเรียนภาษาอังกฤษเรียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วที่บ้านพ่อจะเจ้าระเบียบวันสามทุ่มปิดไฟเพราะจน พอพ่อปิดไฟบนบ้านนะคุณโยมนะสองคนพี่น้องกับคุณเทพชัยยงถือหนังสือคนละเล่มเดินไปที่ถนนของเทศบาล น, นั่งอ่านหนังสือโดยใช้ไฟของเทศบาลสอบได้จี่หนึ่งเหลือเชื่อไหมวันหนึ่งมาสอบมาเรียนปริญญาตรีที่เอแบกมหาวิทยาลัยสัมชัญเรียนไม่จบหรอกประมาณแค่ปีสอง เห็นหนังสือพิมพ์บางกาะโพสต์ประกาศรับสมัครนักข่าวภาคภาษาอังกฤษแกอยากทํางานมากๆเพราะอยากแบ่งเบาภาระที่บ้านจะรู้ดีว่าถ้าแกเขียนประวัติส่งเข้าไปนะไม่ได้รับการพิจารณาแน่นอนแกคิดว่าฉันฉันไม่จบปริญญาตรีไม่เคยทํางานมาก่อนแต่คิดว่าอยากทํางานช่วยทางบ้านภาษาอังกฤษพอพูดได้ถ้าส่งใบสมัครไปตกแน่นอนก็เลนเดินเข้าไป เดินเข้าไปขอสมัครงานพอไปถึงหน้าห้องบรรณาธิการถามว่าคุณมาทำไมตอนนั้นคุณสุทธิชัยหยุ่นยังเป็นไน่นะอายุแค่ยี่สบต้นๆยี 20, ่สิบแปดยี 2, ่บสองแค่ปีสองเลขาก็ถามว่าคุณมาทำไมผมมาสมัครงานครับแล้วคุณนัดบรรณาธิการไว้หรือเปล่าไม่ได้นัดครับไม่ได้นัดแล้วคุณมาทำไมเพราะไม่ได้นัดเลยครับผมถึงต้องมา แกคิดบวกไงเอ้าแล้วไม่ได้นัแล้วคุณมาทำไมเนี่ยผมอยากทำงานแล้วคุณทำอะไรมาผมเรีนหนังสือมาแล้วจบหรือยังยังไม่จบเอ้ายังไม่จบแล้วคุณมาสมัครทำไมก็เพราะยังไม่จบนี่ครับผมถึงต้องมาระหว่างนั้นแกสังเกตเห็นว่าห้องถัดไปเป็นห้องกระจกบรรณาธิการเนี่ย นั่งทํางานอยู่ข้างในแกเห็นว่าบรรณาธิการอยู่ตรงนั้นเลขาอยู่ในห้องแกรู้ว่าแกจะต้องสมัครให้ได้ในวันนี้ไม่งั้นอดตายระหว่างเลขาสักแกก็เลยทําเป็นมีเรื่องมีราวอ่ะคุณมาทําไมผมอยากทํางานแล้วคุณเรียนจบไหมไม่จบโอ้ไม่จบแล้วมันโอ้ผมต้องมาทำเหมือนกับชีวิตมันจะยุ่งเหยิงนบรรณาธิการเห็นท้าไม่ดีเดินออกมาติดกลับเลย มานี่ยิมาทำมามผมมาสมัครงานครับท่านคุณจบอะไรมาไม่จบครับเอา้าไม่จบแล้วมาหาพระแสงอะไรเนี่ยผมอยากทำงานออกไปถ้าท่านไม่รับผมเขาทำงานผมไม่ออกครับเอา้านั่นก็ น, นั่งแช่อยู่นี่แล้วกันครับบรรณาธิการทำท่าเดินออกไป สุดที่ใจหยุดไม่ลุกเอาดิจะให้คนแปลกหน้ามันนั่งอยู่ในห้องมาทำงานเราได้ไหมเขามีลุกอะ่ะพอเจ้าเด่นนี่ไม่ลุกบรรณาธิการฝรัง่งนะกลับเข้ามานั่งแกคิดว่าแกมีดีอะไรมาสมัางานกับฉันผมเขียนข่าวได้ครับท่านมีหลักฐานไหมหนังสือของท่านครับชอบลงจดหมายของผมบ่อยๆในคอลัมน์ เอเดเตอร์โนสจดหมายถึงบรรณาธิการครับจริงเหรอฉบับเมื่อวานก็ลงครับท่านฝรั่งเรียกเลขามาเอาหนังสือพมมาดูซิฉบับเมื่อวานเอามาอ่านดูอันไหนของคุณนี่ไงครับสุทธิชัยยุนน้ำหน้าอห่งแกได้นะเขียนเองครับให้แม่เขียนมัง้ง แม่ผมอ่านไม่ออกครับที่สำคัญแม่อยู่หัดไห่ครับอ่ะงั้นแกลองเขียนข่าวนอยไหมครับตั้นให้การบ้านมาเลยครับนายฝรั่งลุกขึ้นยืนสมมุติว่าวันนี้มีเหตุการณ์ไฟไหมอ่ะคุณเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาสั่งงานเสร็จนายฝรั่งเดินไปหายไปครึ่งชั่วโมองกลับมา คุณสุดที่ใจล่างเอาเพิมพเด็ดของฝรั่งคนนั้นมานั่งพิมพ์ก็แ ก, ก๊กก็แก๊กก็แก๊เลยขาของเจ้านายฝรั่งนั่งอยู่หน้าห้องชะ ง, งกหน้ามามองแกทํำยิงให <c oughs> ้มันรู้ใช่ไหมฉันไม่คุยกับคุณหรอกฉันต้องคุยกับ น, นายคนก็แก๊ก็แ ก, แ ก, แก๊กก็แ๊กครึ่งชั่วโมงผ่านมานะนายฝรั่งกลับมาท่านครับเสร็จแล้วครับเฮ้ย <c oughs> อายุเท่าไหร่ยี่สิบครับเขียนข่าวได้ดีวะผมเตือนท่านแล้วครับรึกแกพร้อมจะมาทำงานเมื่อไหร่และท่านอยากให้ผมทำเมื่อไหร่พรุ่งนี้ได้เลยครับคุณยอมเชื่อไหมคุณสุดที่ใจอยู่ในขณะที่เรียนอยู่ที่เอบ ตอนกลางคืนไปลงทะเบียนเบียนสื่อสารมวลชนที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยพอรู้ว่าเขารับสมัครงานแล้วเนี่ยได้เข้าทํางานก็ไปหาอาจารย์ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยไปบอกอาจารย์อาจารย์ครับผมเขารับผมเป็นนักข่าวครับบังกอกโพสอาจารย์บอกนาหน้าอย่างแกเลยนะถ้าหนังสือพิมไทยฉันจะไม่ว่าเลยนะ นี่เมือนสติมัสังเกตล้วก็นะรับแกครับแล้วแกจะทําไมอาจารย์ครับผมรับผมผมขอเลื่อนการเรียนของผมไปเป็นภาคพิเศษได้ไหมครับเสาร์อาทิตย์ได้ไหมครับเพราะวันปกติผมต้องทํางานโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ครับผมขอนะครับไม่ได้ฉันจะยอมเปลี่ยนกฎเกณฑ์เพื่อให้คุณ ได้เรียนคนเดียวโดยที่เพื่อนๆไม่ได้เรียนได้ไงล่ะอาจารย์ไม่ยอมใช่ไหมครับไม่ให้ผมย้ายจากภาคกลางคืนไปเรียนสวทีใช่ไหมครับใช่แล้วจะทำอะไรถ้างั้นผมขอลาออกครับตั้งแต่นั้นมาประวัติของคุณสุดที่ชา ย, ยุนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะเขียนเอาไว้ว่าเรียนไม่จบจํำนายออก คุณยอมเชื่อไหมหลังจากนั้นคุณสุธิชัยยุนก็มาทํางานทํางานอยู่สักพักหนึ่งผู้ช่วยบรรณาธิการทะเลาะ ก, กับคนไทยทะเลาะ ก, กันไปทะเลาะ ก, กันมาเขาเลื่อนคุณสุธิชัยยุนภายในสองปีขึ้นเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการและขึ้นเป็นบรรณาธิการข่าวอยู่ไปอยู่ไปคุณสุทธิชัยยุนเขียนข่าวได้เก่งมากเพราะไปทําข่าวลูกชายของนายกรัฐมนตรีลูกชายของจอมพลถนอมกิติขจร นะพันธุน ร, รงค์จิตใจขจรมัง้งไปเฉี่รถสาราไทยแล้วก็พังลาบเลยไม่มีนักข่าวฉบับไหนกล้าลงข่าวคุณสุดที่จะหยุนไปรู้มาเอามาเขียนลงแล้วเขียนลงในปกติหนังสุรินท์จะไม่กล้าลงข่าวลูกนกักการเมืองนะล้วนหนังสุรินท์์ตกเป็รพอคุณสุดที่จะหยุนเขียนเจ้านาถามว่า เรื่องนี้คุณปรึกษาบรรณาธิการแด่แล้วยังสุธิชัยบุญสุีิชัยย่นบอกครับผมปรึกษาละท่านว่าไงท่านบอกว่าลงเลยจริงๆไม่ปรึกษาใครสักคนลงไปเลยวันรุ่งขึ้นหนังสือพิม์ไทยทุกฉบับไม่รายงานข่าวลูกชายนายกไปพังศาลามีบางกอกโพสฉบับเดียวลงคนยอมเชื่อไหมเช้าวันนั้นทุกคนคิดว่าบางกอกโพสถูกสั่งปิดแต่ที่ไหนได้ มอมราชวงครือริบราโมส์นักเขียนคนสําคัญเขียนชมคุณสุทธิชัยยืนว่าเป็นสุดยอดนักข่าวที่มีความกล้าหาญสูงยิ่งพอคุณชาครือริปราโมส์เขียนชมนักข่าวนมนะคนุณยมนะไม่มีชื่อไม่มีเสียงแต่คนระดับหมอมราชวงศ์เขียนชมอ่ะวันนั้นนายกรัฐมนตรีเรียกลูกชายของท่านไปด่าว่าแกทําอย่างนั้นได้ทําไมแกถือว่าแกเป็นลูกนายกใช่ไหมคุณยอมเชื่อไหม ทันทีที่ข่าวเปิดโปลงลูกชายนายกตีพิมพ์สุดที่ชายหยุดกลายเปน็นนักข่าวชื่อดังของประเทศไทยนับตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้เมื่อเดือนที่แล้วแกมันเล่าออกรายการจอดใจแกบอกว่าผมกลับไปอ่านประวัติตเองก็ขำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าผมเรียนไม่จบเพื่อนๆก็คิดว่าผมคงไปต่อไม่ได้ผมคิดว่าผมโชคดีมากถ้าผมเรียนจนจบนะผมก็คงเป็นพนัก ง, งานเล็กๆ เ, เป็นลูกจ้างเขา แต่พ่อเรียนไม่จบไงผมจึงเป็นเจ้าของกิจการในเครือเดลเนชั่นเป็นยังไงทุกวันนี้เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์แปดถึงเก้าฉบับเจ้าของคลื่นวิทยุเจ้าของอินเทอร์เน็ตเครือข่ายระดับโลกเจ้าของรายการโทรทัศน์ผู้ชายคนนี้ทําอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดนั่งเงินที่แม่ให้มา เฉพาะเป็นค่าตั๋วรถไปเข้ากรุงเทพไม่มีขากลับนะคนยอมนะทันดีที่แกทำงานได้เงินเดือนเดือนแรกยกขึ้นจบหัวส่งไปให้แม่ใช้ทุกเดือนจนบัตรนี้คุณสุธทธิชยัยยนต์ส่งเงินให้แม่ใช้ตลอดไม่เคยใช้เงินเดือนตัวเองเราก็บอกว่าถ้าแม่ให้เงินผมเยอะๆผมก็คงไม่สู้เห็นเรือง ลูกบางคนนะเกิดมาพ่อไม่เอาเงินใส่มือให้มันก็คิดลบตลอดเลยว่าฉันสบายแล้วฉันไม่หาละซื้อยาเสพติดมากินดีกว่าสบายกว่ากันเห็นไหมแต่ลูกบางคนนะคุณจอนะที่พ่อแม่ไม่ได้เตรียมอะไรว่าให้เขาคิดบวกเขาคิดว่าการที่พ่อแม่ไม่เตรียมสมบัติภระสถานให้ฉันแสดงว่าพ่อแม่ต้องการให้ฉันพิสูจน์ความสามารถของตัวเองก็เลยสู้ชีวิต สุดท้ายคนเหล่านี้ประสบความสาเร็จทั้งนั้นเลยเห็นด้วยยังว่าคนคิดบวกมีแต่จะประสบความสาเร็จคนคิดลบมีแต่จะประสบความล้มเหลวฉะนั้นทุกท่านทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าอยากประสบความสาเร็จหัดคิดบวกเข้าไว้ถ้าอยากล้มเหลวไม่ยากคิดลบ ท, ทันทีเดี๋ยวชีวิตก็จะลบเห็นด้อย่างนี้ก็คือคุณค่ของการคิดในเชิงบวก อตาตมาคิดว่าได้ใช้เวลาในช่วงแรกมาพอสมควรเอาช่วงที่สองช่วงที่สองนี้แถมให้นิดหนึ่งเป็นช่วงวันแม่ธรรมภาพจะให้ดูวีดีทัศน์ซึ่งจะรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงวันพรุ่งนี้เชา้าแต่คนไทยต้องรอพรุ่งนี้นะทีนี้เห็นก่อนเลยเอาเรื่องพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็นแล้วกัน ในพระพุทธศาสนามีพุทธศาสนาสุภาษิตอยู่บทหนึ่งนะว่าผู้มิเวชภุริศานังกตัญญูกะตะเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหรือเป็นรากฐานของการเป็นคนดีสุภาษิตจริงเขามีสุภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่ง โดยมีนิทานพุทธประยาเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าประกอบคําขวัญที่ว่าร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึง่งเรื่องมันมีอยู่ว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบสะสมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเขารู้ว่ามีเตียนเกิดขึ้นหรือมีนักบินเกิดขึ้นในประเทศจีนไม่ว่าจะอยู่เมืองไหนเขาจะต้องตามไปกราบให้ได้ อยู่มาวันหนึ่งชหนึ่งคนนี้ได้ข่าวว่ามีเซียนคนหนึ่งบรรลุธรรมขั้นสูงกลายเป็นพระอรหันต์อยู่ที่เมืองสีอันบนยอดเขาใช้หนึ่งคนนี้เขามีแม่ผู้สูงอายุ อ, อยู่คนหนึ่งประมาณเจ็ดสิบหกละพอได้ข่าวว่ามีพระอรหันต์มาอบัตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนยอดเขาชายหนึ่งคนนี้อยากจะกราบมากๆเขาอยากพิสูจน์ว่าพระอรหันต์มีจริงไหมในโลกนี้ เพราะเขาที่เขาเคยเจอมาเนี่ยมันเป็นพระอารามุนเท่านั้นเลยอยากเจออารหันเต็เป็มสักครั้งนหนึ่นะนะก็เลยไปบอกแม่ว่าแม่ครับลูกจะไม่อยู่หนะึ่งอาทิตย์นะลูกจอดเดินทางไปพิสูตนพระอารหันแล้วผมก็เตรียมกับข้าเตรียมเนื้อย่างเตรียมอะไรให้แม่หมดแล้วนะระหว่างที่ผมไม่อยู่ผมจะให้เพื่อนบ้านมาเข้าแม่นะครับแม่ก็บอกไปเถอะลงูก ไม่ต้องห่วงแม่แม่อยู่ของแม่ได้เมื่อลาแม่แล้วแม่อายุตัเจดิหกนะคนุณโยมนะหูตาค่าฟังความจำก็เลอะเลือนกลางค่ำกลางคืนก็ลุกมาไอครกครกกแต่เพราะอยากี่สูดน์่าพราะอราหันต์มีจริงไหมช้หนุ่มคนนี้ก็ยังออกเดินทางไปเขาเดินทางรอนแรนมาประมาณสามวันพ้ลือถึงยอดเขาไปพบหลวงปู่สูงอายุรหนึ่งประมาณอายุประมาณเก้าสิ เขาเข้าไปกราบเราก็ถามมาหลวงปู่ครับเขามือว่านะหลวงปู่เป็นพระอาหารหันต์แล้วหลวงปู่เป็นพระอาหารหันต์จริงไหมครับหลวงปู่ก็บอกว่าลูกมันไม่จำเป็นหรอกนะที่หลวงปู่จะเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่แต่หลวงปู่จะบอกวิธีพิสูจน์พระอาหารหันต์ให้พระอาหารหันต์มีเครื่องหมายการค้าด้วยเหรอครับนี่ เป็ น, นัไงครับหลวงปู่จำไว้นะลูกนะพระอาหารหันต์จะมีลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งชอบใส่เสื้อกลับด้านคือเอาด้านในออกมาเป็นด้านนอกสองเวลาการกระโุมนะกลับไม่ครบทุกเม็ดสามเวลาสวมรองเท้าชอบสวมรองเท้ากลับข้าง เธอเอาลักษณะสามอย่างนี้ไปนะโลกนะลูจะติพิสูจน์ดูและเธอจะรู้ว่าแท้ที่จริงพระอาหารหันต์ยังคงมีอยู่ในโลกชายหนุ่งก็บอกครับผมจะกลับไปตามหาพาาาระอรหันต์ต่อไปครับเขากวลาหลวงปู่ลงจากยอดเขามาคิดถึงแม่มากแม่ก็คิดถึงโลกมากสมัยเมื่อพันกว่าปีที่แล้วมันไม่มีโทรศัพท์มือถือนะ ถ้าหนีก็คงจะส่ง SNS ไปกลับไม่ได้แล้วลูกแม่คิดถึงสมัยโน้นมันไม่มีคิดถึงแค่ไหนก็อยู่ในใจของแม่แม่คิดถึงลูกและลูกคิดถึงแม่เขาบอกว่าถ้าลูกคิดถึงแม่ร้อยเท่าขอให้รู้แล้ ว, ว่าในใจของแม่นั้นคิดถึงลูกพันเท่าถ้าลูกเจ็บแสดงว่าคนที่เจ็บกว่าลูกก็คือแม่ ชายหนุ่มเดินทางกลับบ้านแล้วหกระเหิญกลับมาผู้เป็นแม่นั้นก็เฝ้ารอลูกมาทั้งคืนเป็นเวลาหกวันเข้ามานี่แล้วในวันที่เจ็ดชายหนุ่มทันลูกถึงบ้านประมาณพอเพลสใกล้พบค่ําเขาเดินก็ปากซอยมาตะโกนบอกแม่ว่าแม่ครับหอมมาแล้วครับผู้เป็นแม่ได้ยินเสียงลูกชายคนระับดีหกดีใจตื่นเต้นจนทําอะไรไม่ถูก วิ่งออกจากบ้านไปลืมไปว่าไม่ได้ใส่เสื้อโอ้โหอายุเจ็ดสากคงน่าดูวิ่งออกไปตายนะพอคน้นประตูบ้านเป็นนึกออกาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยมี่แต่ผ้าถุงอะ่ะวิ่งกลับเข้าบ้านกลับมาสวมเสื้อผ้าด้วยความเรียบร้อนสวมเสร็จแล้วก็เอาข้างในกลับออกมาเป็นข้างนอกติดกระดึมไม่ทันได้ครบทุกน็ดปี 6, ลลออกไปเตะตะลีตะลังวิ่งออกไป อันลูเสียมรองเท้ากลาบมาสวงมรองเท้ากลาบขาน้นีกไม่หลับไลยลูเป็นโดนต้นตัวเจไปถือท่้นใจสองคนแม่โลกมาเจอกันกอดกันกลมด้วยความคิดถึงสุนทรความรักจากกันและกันห่างมากก็รักมากความรักนั้นเป็นปฏิภาคผผันกับความหา่างไกลม่ห่างมากเราจะสัมผัสได้เห็นความรักที่มากขึ้น ถ้าไม่เชื่อพวกเรามีแฟนนะลูกนะเราห่างๆแฟนดยเแต่จะห่างเกินสามวันนะเดี๋ยวเขาห่างแล้วเขาไม่มาเลยนะ่ะทฤษฎีนี้ใช้ได้กับคนแก่ซึ่งไม่มีทางไปนะลูกนะต <c oughs> ้นหนุ่ต้นสาวออกมาใช้นี่อย่ายมากสองคนไม่รูก้กอดกันกลมพอตึนรับความคิดถึงจากกันและกันได้เต็มที่ใชหลุมก็ถอนตัวมาจากแม่ เขาผลักไม่ออกจากตัวเขาแล้วก็ได้เห็นว่าแม่ทําไมแม่ใส่เสื้อมันกลับข้างกันอย่างเนี้อะไรมันมดนที่ติดกระดุมก็ไปไม่ได้หรือ่เขาต้องนัอีกต่างหากอุดท่อแม่แล้วก็เห็นรองเท้าของแม่เฮ้ยมื่ก็สวมรองเท้ากลับข้างอย่างหา่างอือแม่ช้าตัวแล้วฉันเอาใหญ่แล้วแม่ไม่พูดอะไรนะน้ำตาคลอหน่อยเขาเห็นน้ําตาของแม่ นึกถึงคำของหลวงปู่ที่เขาไปกลาบเมื่อวานพระอะรหันมีลักษณะหนึ่งใส่เสื้อกลับในเป็นนอกติดกระดุมให้ครอบทุกเม็ดสวมรองเท้ากลับข้างให้มนมันนี้จูจ๋อบรรลุธรรมแ้ปึ้งขึ้นมาเลยเราโล่งจริงๆออกเดินทางไปตามหาพระอะาารหันสุดเล่าทายเถี่ยวแท้ที่จริงพระอรหันก็คือ แม่ของเราพอรู้ว่าหลวงปู่ให้ปริศนารรมาแล้วถ้าเรหาหันที่แท้อยู่ไหนนะเขาโก้มลงกระับแท้ตักแม่เลยประคองแม่กลับเข้าไปบ้านคืนนั้นกินข้าวด้วยกันอย่างมีความแท้ที่จริงคุณพ่อคุณแม่ของเราก็คือพระในบ้านแต่มีลูกหลานจํานวนมากที่หลงลืมความจริงข้อนี้ไปแล้วก็ไปคิดว่าพระที่ดีที่สุดนั้นอยู่ในวัดอ้าล้วพี่ลี รู้หรื อ, อยังพระอระหันอยู่ไหนที่อยู่ในวัดบางทีเป็นพระอระหมน <c oughs> คือหมุนไปหมุนมาบางช่วงก็ทำท่าจะเป็นพระดีพอไปสักพักหนึ่งไม่ดีซะแล้วไม่แน่ไม่นอนแต่พ่อของเราแม่ของเราที่อยู่ที่บ้านคุณยอมเชื่อไหมนั่นแหละพระที่แท้จริง ท่านให้ข้าวท่านให้น้าท่านให้ชีวเด็กแล้วเราเคยกลับไปให้อะไรท่านบ้างในวันแม่ให้ลองย้อนกลับไปถามนะคุณโยมนะลองย้อนกลับไปถามว่าเราให้อะไรท่านบ้างแล้วถ้าเป็นไปได้อย่ารอวันแม่เพราะอะไรเพราะบางทีพอวันแม่มาถึงแม่ไม่อยู่เมื่อกี้คุณโยมแม่คุยกับปัรมภาพ ว่าเพิ่งได้อ่านบทความในในแพรเพื่อนประวัติเมลส่งมาให้เป็นเรื่องของลูกกับแม่จริงๆเรื่องนี้นี่มีมีรากฐานที่มาปีที่แล้วแต่มภไปแสดงธรรมที่นิวยอร์กแสดงธรรมเสร็จก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องไห้แตรมาภาพก็เห็นน้ำตาผู้หญิงก็ใจอ่อนทุกทีก็ <c oughs> <c oughs> เลยถามว่าทำไมถึงร้องไห้ หญิงคนนี้ก็บอกว่าหนูมีบาปในใจแล้วเธอก็เล่าเธอเล่าว่าพระอาจารย์ะคะหนูมาอยู่ที่นี่ยี่สิบปีทุกปีกลับบ้านไปอยู่กับแม่เป็นเดือนทุกปีผู้หญิงคนนี้รวยมากหลังบ้านนี่มีเรือยอดเลยแต่มภาพไปฉันที่บ้านเธอมาแล้ว เธอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อเป็นวิทยาการเธอบอกว่าปีก่อนหน้านั้นขณะกำลังทำงานน้องสาวโทรศัพท์มาหาพี่แม่ล้มในห้องน้ำาดูโรงพยาบาลเธอก็บอกเออเดี๋ยวพี่เคียงงานก่อนนะเดี๋ยวพี่โทรไปเธอคิดว่าแม่อายุแค่ห้าสิบสองคงไม่เป็นอะไรก็เลยไม่ได้โทรกลับมัวแต่ทำงานเพลินตลอดไป สามัน่อมาน้องสาวโทรมาบอกพี่เราย้ายแม่เข้าในห้องไอซีูแล้วนะหมอบอกว่าอาจจะมีเลือดข้างในสมองอขนาดนั้นเลยเหรอเออเดี๋ยวพี่เคลียร์งานแล้วพี่บินกลับเลยบอกแม่อย่าเพิ่งเป็นอะไร <c oughs> อย่าลืมนะต้องบอกแม่นะจะ <c oughs> เ, เพิ่งเป็นอะไร ต่อมาครั้งที่สามประมาณตีสองน้องสาวโทรศัพท์มาหาตีสองนะคุณผู้มนะเธอเพิ่งกลับจากที่ทํางานแล้วเข้านอนแป๊บเดียวเห็นโทรศัพท์น้องโผงสวนออกไปเลยโทรมาทําไมเนะี่ยพี่ยังไม่ได้หลับเลยนะวันเนี้พี่น้องจะโทรมาพี่ครั้งเดียวอ่ะจากนี้จะไม่ควรพี่เลยเออแล้วไง แม่เพิ่งเสียค่ะเท่านั้นเองพ่อรองผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ถาทอดสดข้ามทวีบเลยจากเมริกาถึงเมืองไทยวันรุ่งขึ้นรีบไปลาเจ้านายขอกลับเมืองไทยไม่มีกาหนดเจ้านายฝรั่งลุกขึ้นยืนตำหนิเลยตอนแม่ป่วยทำไมคุณไม่มาลาผมเธอบอกว่าดิฉันกลัวเจ้านายจะว่า ผมเป็นฝรั่งก็จริงแต่ผมก็มีแม่ผมไล่คุณออกคุณก็สมัครงานใหม่ได้แต่ถ้าแม่คุณตายจากไปคุณไปหาแม่ที่ไหนไปเลยจะ ก, กลับมาเมื่อไหร่ก็มาวันนี้ร้องไห้ออกจากออฟฟิศจับเครื่องเบนเบนมาบังไทยในงานชาปนกิจสอบแม่พี่น้องสี่คนไม่พูดกับเธอสักคน ร้องหมร้องไห้หน้าศพซื้อเข้าซื้อของซื้อผ้าไตรซื้ออะไรมาทูลเกตทูลเก้า ว, วางบนลงศพแม่นี่มนพระชื่อดังที่สุดของประเทศไทยเปเทศท่านกระดั้นติดกิจในมนที่คอสโมคือคนเราถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์นะคนุณโยแม้แต่ไปนี่มนพระนะท่านก็ไม่ค่อยว่างนะ นี่ไม่เหมือนคุณยอมเมย์นะกับคุณยอมช้าจันนี้มนตามาวันที่ยี่สิบสามตุลาล็อกได้พอดี <c oughs> เห็นไหมถ้าจิตบริสุทธิ์มันง่ายหนึ่งในร้อยที่ล็อกล่วงหน้าแล้วมาเช็คคิวกตาตมาแล้วเจอว่างนะหนึ่งในร้อยวันนี้เจอเห็นไหมนี่คือจิตใจดีเป็นบุญเป็นกุศลผู้หญิงคนนี้กลับมาพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อแม่ แต่พี่น้องไม่พูดกับเธอสักคนจนกระทั่งวันเผาศพแม่นะคุณเด็นะคืนนั้นเธอเดินเข้าไปหาพี่น้องสี่คนเปิดอกคุยกันว่านี่พวกเราจะไม่คุยกับพี่ใช่ไหมน้องสาวคนเล็กซึ่งเป็นน้องสุดท้องเฝ้าแม่มาตลอดตั้งแต่ต้นบอกว่าพี่มันมีอะไรจะต้องคุยกับพี่ตอนนี้ด้วย พวกเราสี่คนเฝ้าแม่ทุกวันแม่ไม่เคยเพ้อหาเราสักคนนะ่ะแต่พี่อยู่อเมริกาแม่เพ้อหาพี่คนเดียวพวกเราสี่คนแม่รักพี่คนเดียวอ่ะแล้วดูสิคนที่แม่รักทากับแม่ยังไงฉันโทรไปเมื่อไหร่พี่ก็บอกเคลียร์งานเคลียร์งานพี่รู้ไหม แม่เคลียร์ใจรอพี่ทุกวันแต่พี่ยังเคลียร์งานให้แม่ไม่ได้ผู้หญิงคนนี้เอามือเป็ดหน้าร้องไห้โฮวันรุ่งขึ้นเก็บข้าเก็บของกลับอเมริกาในวันที่พบอาตมาเธอบอกว่าพระอาจารย์เจ้าคะทุกปีหนูกลับเมืองไทยแต่ปีหน้าหนูไม่กล้ากลับไป บ้านที่ไม่มีแม่ของเหงาที่สุดอาตมาเห็นได้ทีอาตมาก็เลยอัดเข้าติดมุมเลยนะวันนั้นนะกำลังโซเซเมาบัดมาเลยเนี่ยเราต้องรีบนก็เลยโยมแผลเป็นที่กายนะถ้าเมืองไทยไม่เกินแพทย์ที่โรงพยาบาลยันฮีหรอก แต่แผลเป็นที่ใจเนี่ยใครจะรักษาให้ยอมแล้วแต่มาก็เทศต่อว่าคุณยอมคนจำนวนมากทำตัวเหมือนแม่บ้านที่กำลังเย็บผ้าสาวได้ออกมาจากหลอดได้แล้วก็หลงผิดคิดว่าได้ยังเหลืออยู่ในแกนได้เยอะแยะมากมาย สาวมาใช้แม่บรรดาบรรดังสาวเป็นในคักๆเลงได้หมดที่เราเห็นว่าได้มันเหลือเยอะๆแทนที่จริงได้นิดเดียวแต่แกนได้มันใหญ่ใช่ไหมกว่าจะรู้ว่าได้หมดแล้วแกนได้มันใหญ่ได้ในมือหมดแล้วเย็บผ้าอย่างไม่เสร็จพวกเราทุกคนก็เหมือนกันมักจะคิดว่าพ่อแม่อายุไม่มากท่านยังไม่จากไปหรอ แล้วก็ประมาทอัตมาพะพูดบ่อยๆว่าพ่อแม่ก็เหมือนยาคูแป๊บเดียวหมดอายุได้เลยแล้วเวลาจะหมดอายุบอกล่วงหน้าไหมฝนจะตกยังมีเมฆตั้งเท้าโทรศัพท์จะถูกตัดยังมีบินมาเตือนเจ้านายจะได้เราออก ยังส่อขาวว่าไม่ปลิ่มแต่พ่อแม่จะจากเราไปฝึกงานในโลกหนะ้าท่านส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าหรือไม่คนจำนวนเมื่อากันประมาทว่าวันเวลาในชีวิตของผู้มีพระคุณยังคงเหลืออยู่มากมายแล้วก็คิดว่ายังหรอกยังไม่ต้องรีบกลับไปดูแลท่านหรอกยังหรอก ยังไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าให้ท่านหรอกยังหรอกยังไม่ถึงวันแม่เลยรอให้ถึงวันนั้นก่อนก็ทำดีให้เต็มที่หารู้ไม่ว่าบางทีวันที่เราเรอคอยอาจจะเป็นวันที่เดินทางมาไม่ถึงดังนั้นทุกท่านทุกคนที่มีพ่อมีแม่ขอให้ฟังเรื่องนี้เอาไว้เป็นนิทั์อุทาหอนอย่าคิดว่าพ่อแม่อายุไม่มากท่านจะยังไม่จากไป แท้ที่จริงนั้นพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะจากเราไปได้ตลอดเวลาโดยเหตุดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอยากกรันอยู่ต่อพระคุณพ่อพระคุณแม่นาทีที่คุณรู้สึกขอให้คุณทําทันทีและถ้าคุณได้ทําแล้วจะทํามากทําน้อยวันหนึ่งถ้าแม่จากไปคุณย้อนกลับมานึกถึงคุณไม่ต้องมานั่งเสียใจเพราะคุณได้ทําเพื่อท่านแล้ว ในชีวิตจรรมะภาพเป็นชีวิตที่ผูกพันกับยออแม่มากๆครั้งหนึ่งพรรษาแรกที่บวชเป็นสัมมณเอายุสิบสามออกพรรษาธรรมภาพได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมาออกพรรษาแล้วเนี่ยถ้าคุณพี่พาไปทัศนศึกษาเพราะว่าตลอดพรรษาเราเรียนกันหนักมากขากลับนครราชสีมาน่ะขากลับจากนกครราชสีมา พระรุ่ที่ก็บอกให้ลูกเนรทุกคนไปซื้อของฝากผู้ปกครองาตมาก็ซื้อเสื้อให้พ่อแล้วมันถึงแม่ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้เดินไปเดินมาหัวจดท้ายตลาดจากหัวจดท้ายจากท้ายจดดหลดหัวก็ไปเห็นพระถุงกองก็เดินทนทุกเลยลืมไปว่าตัวเองเป็นสา ม, มนเณรหัวเกลี้ยงนละ ด้วยอารมณ์อยากซื้อพระถุงให้แม่ก็เลยไปคลี่พระถุงทีละผลืนทีละผนเจอบุกคลี่เจอบุกคลีกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีว่าแม่ค้าเขามองกันทั้งบางตายละแล้วอาจารมภาพก็เคราะหามยามร้ายมาเจอแม่ค้าปัดปลราหร้เข้าให้คนสุดท้ายที่อาจารย์มภาพไล่คลี่พระถุงมามาเจอแม่ขาลุกขึ้นยืน มือเท้าเสะเอวมองหน้าธารมภาพเหมือนจะกินเลือดจะกินเนื้อแต่เจ้าเนนน้อยยังไม่รู้สึกตัวยังคงคลี่พระถุงดูลายตีนจกเมื่อขาทำท่าจะเมือนถึงเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองาศาสนามันดึงเสื่อมแม่พระเนนเดี๋ยวนี้นะมันดัดจริตหรือพระถุงให้กิด โอ้โหอัตมาสะเทือนเลยหลังจากนั้นอัตมาภาพไม่ได้ยินอะไรอีกเลยเพราะเธอเล่นด่าแบบนันสต๊อปหดูดับดับไม่ชุดใหญ่เลยนะ celand. พอเธอเหนื่อยปุ๊บอัตมาก็บอกยมเดี๋ยวฟังก่อนที่ซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ยอมเข้าใจอั ต, อตามาภาพไม่ได้ซื้อเพื่อส่งไปให้แม่ทุนหัวที่ไหนแต่ซื้อให้ยมแม่ของอัตมา สื่ให้ยอมแม่จริงหรือเจ้าคะไม่มีเหตุผลที่ธรรมภาพจะโกหกยอมโอ้ตายละพอรู้อย่างนั้นนะน้ําตาของแม่ค้าคนนั้นไหลหลั่งทั้งครเต็มสองแก้มคนดอยเธอร้องไห้โดยไม่มีเสียงการร้องไห้มีสองอย่างนะหนึ่งร้องไห้แบบเปิดเผยคือเสียใจร้องไห้โหอันนี้ไม่น่าวิจฉหลอก แต่ถ้าเสียใจแล้วร้องแบบไม่มีเสียงน้ำตาไหลลงทั้งข้างในและลงทั้งข้างนอกอันนี้เจ็บปวดที่สุดเธอเผอออกมาว่าท่านโยมนะมีลูกเหมือนกับพ่อเนรนะโยมไม่ต้องมานั่งไข่พระถงหรอกโยมมีลูกกี่คนสามคนไปไหนไปกรุงเทพหมดเลยเขายิงอยไหม อยู่ครบทุกคนแล้วมาเยี่ยมโยมไหมตั้งแต่ไปก็ไม่เคยกลับโยมก็คิดจะว่าพวกเขาตายจากไปแล้วแล้วก็หายไปหลังร้านนะคุณโยมนะไปร้องไห้จนตัวโยนมนุษยชาติทุกคนมีจุดอ่อนเรื่องพ่อเรื่องแม่นะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นพวกเราจำไว้นะอยู่กับสามีถ้าสามีกาลังจะซ้อมที่จำได้ไหม ตนพี่ไปขอชั้นจากแม่พี่รับรองว่าจะดูแลชั้นอย่างดีที่สุดใช่ไหมถ้าพี่ซ้อมชั้นเท่ากับซ้อมแม่เดี๋ยวเข้าใจอ่อนเองไม่คะคนนี้พราะแต่ไปถูกประเด็นเรื่องแม่เรื่องลูกร้องห่มร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรหายไปหลังร้านกลับออกมาชายเสื้อเปียงหมดเลยอัตมาภาพเลือกพระถุงได้หนึ่งผืน พอตามาจ่ายสตังปับ๊บเธอหยิบกระถุงมาสองผืนใส่ถุงกระนมมือจบเหนือศีรษะพ่อแนนเจ้าค่ะสองผืนนี้โยมถาวายถือว่าเป็นการขอขมาลาโทษพ่อแนนที่เผลอปากไปหน่อยเมื่อกี้อย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันนะเจ้าค่ะซื้อหนึ่งได้สามหาที่ไหนได้ ดูสิคุ้มไหมเนี่ยไม่มีโอกาสจะทําอีกสักครั้งกลับเชียงรายธรรมภาพก็เอาพระถุงไปให้ยอมแม่ไม่เห็นยอมแม่สวมเลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตจนกระทั่งวันหนึ่งปีสุดท้ายที่แม่จะเสียแม่ป่วยหนักวันหนึ่งเรียกธรตมภาพซึ่งเป็นพระลูกชายเข้าไปคุยด้วย <c oughs> แม่เปิดตู้เสื้อผ้าพทีละต้ทีละต้ทีละต้ละตแล้วก็บอกอรรมาว่าลูก ดูสิสมัยก่อนแม่ใช้เสื้อใช้ผ้าถุงร่วมกันกับพี่สาวเสื้อหนึ่งตัวผาดกันใส่ไปโรงเรียนเสื้อกันหนาวหนึ่งตัวใช้จนขาดไปข้างแล้วถ้าดูตอนนี้สิลูก เสื้อผ้าของแม่ฟนาะดถุงของแม่เนะี่ยมันเปิดร้านได้เลยนะแล้วท่านก็หลุดมาคำหน่งว่าทุกวันนี้นะลูกนะในหมู่บ้านเราไม่มีใครมีความสุขเท่าแม่ดแต่ละภาพเนี่ยก้อนสะอื้นล่นเป็นเริยวจากท้องน้อยเลยนะคุณธรรมมาติดเจอที่นี่เกือบกั้นไม่อยู่ เพราะว่าผ้าถุงก็ดีเสื้อผ้าทั้งหมดก็ดีอาตมาซื้อให้ทั้งหมดซื้อทุกปีหน้าที่เราคือซื้อแม่จะสวมไม่สวมจะนุ่งไม่นุ่งจะใส่ไม่ใส่แล้วแต่แม่หน้าที่เราคือซื้อซื้อไปเรื่อยๆอตาตมาภาพเพิ่งมารู้ว่านั่นเป็นความสูงความภูมิใจสูงสุดในชีวิตของท่านจนกระทั่งปีสุดท้ายที่ท่านเสียพี่สาวโทรศัพท์มาบอกอตาตมาภาพนั่งรถถัวกลับเชียงรายด่วนจี ตอนรถเข้าตัวเมืองเชียงรายก่อนจะถึงโรงพยาบาลตีห้าธรรมาาพฝันเห็นยมแม่มาเยี่ยมในฝันแม่สวมผ้าถุงและเสื้อคอกระเช้าที่ตารมมาซื้อให้สะเทือนใจที่สุดก็ตอนที่ไปเยี่ยมแม่ในห้องไอซียูชุดที่แม่ใส่บนเตียงนะคนุณยมกับชุดที่เห็นในฝันคือชุดเดียวกันเลยวันนั้นอรตมัตเป็นลูกคนเดียวของแม่นะเรามีกันหกคน ที่รู้ว่าการป่วยครั้งนี้คือป่วยครั้งสุดท้ายในชีวิตแม่เพราะอะไรตอนเช้าแม่มาเข้าฝันแล้วแสดงว่าแม่ไปแน่นอนอยู่มาประมาณสิบห้าวันถนอมศรสอนกรรมาฐานอยอแม่ข้างเตียงทุกวันแม่พูดไม่ได้นอนน้ำตาคลอหน่วยมองพ่าเหลืองแต่นถนอมศรแทบไม่ไปไหนเลย น, นั่งเพื่อให้ท่านได้มองท่าเหลืองของพระลูกชายสอนท่านตลอด วันหนึ่งท่านก็เขียนข้อความใส่กระดาษ A4 และยื่นให้ตรรมะัรรม า, ามภาพรับมาแล้วยิ่งกระเทือนใจนหนักเข้าไปเพราะอะไรแม่เขียนจนจบแต่ตรรมาอ่านไม่ออกเลยธ ต, ตรมาไม่รู้ว่าแม่กำลังเขียนอะไรอะ่ะมันเป็น3สเดือนทั้งหมดอะเจ็บปวดมากต้องเดินออกจากเตียงคนไข้ไปที่ระเบียง ไม่มีคำพูดในบรรยากาศเช่นนั้นอาตมารู้คนเดียวว่าป่วยครั้งนี้คือครั้งที่จะนำพาชีวิตมาพบกับการจากภาคครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตซึ่งเป็นครั้งที่อาตมาพัดประวัติเพ่นพงึงมาตลอดว่ามันหนึ่งถ้าท่านจากไปฉันจะอยู่ยังไงและในที่สุดในขณะที่เรากำลังลังเลใจว่าจะยิ้ชีวิตท่านไว้หรือจะ ให้ท่านอยู่กับเครื่องช่วยหายใจไปอย่างนี้เรื่อยๆช้าวันหนังทัานก็เป็นลมสลบไปแล้วก็ยาวไปอย่างสงบพี่น้องทุกคนร้องไห้แต่ตมาไม่ร้องเพราะตมารู้สึกว่าก่อนแม่จะไปเพียงหนึ่งปีแม่ส่งสัญญาณให้ตมานั่นคือการเรียกอตาตมาภาพเข้าไปแล้วคุยเป็นการส่วนตัวว่าลูกทุกวันนี้ในหมู่บ้านของเราไม่มีใครมีความสุขเท่าแม่ และชุดสุดท้ายที่แม่ได้ใส่ก็คือพระถุงที่เราซื้อให้จริงๆเวลาไหนที่ตะมาคิดถึงแม่ขึ้นมานะตะมาก็จะบอกตัวเองว่าอย่างน้อยที่สุดนะก็ยังทันได้ซื้อพระถุงให้ท่านมันก็สกิดแผลในใจของเราไม่ให้มันลุกลามไปมากกว่านี้เพราะอย่างดีที่สุดเราซื้อพระถุงให้ท่านแล้วท่านนุ่งด้วยท่านมาเข้าฝันบอกเราด้วย ว่าแม่จะสวมชุดเนยนะไปฝึกงานในโลกหน้าคำถามก็คือเราทุกคนเคยซื้ออะไรให้คุณพ่อคุณแม่เราไหมฮถ้ายังไม่เคยนะไม่ต้องรอวันแม่ทันทีที่รู้สึกอยากทำให้ทำเลยเพราะถ้ามีเช่นนั้นถ้าวันสุดท้ายของท่านมาถึงมันนึกอีกทีมันทำไม่ทำ นี่คือบทเรียนชีวิตที่ธรรมภาพพบเจอมาแล้วอัตมายังคิดว่าตัเองโชคดีนะที่อย่างน้อยที่สุดก็ยังซื้อเข้าซื้อของให้ท่านทันอัตมาภาพซื้อแม้กระทั่งเข็มขัดเงินนะคนุณโยมนะเป็นเลือกเข็มขัดในร้านเครื่องเงินนะคนเราก็มองเอามาใส่กับสะเอวตัวเองแล้วก็ให้แม่ของทุกอย่างเราใส่ลงลงให้แม่ สิ่งที่ตรมภาพขอจากแม่คืออะไรในชีวิตนะมีปล่อยผมหนึ่งปล่อยสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นซึ่งัรรมภาพซื้อให้ในปีที่ธรรมภาพได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนั้นได้รับพระราชทานพระยศเปรยิยธรรมหกประโยคถือว่ามาถึงฝังฝันดีใจมากก็เลยซื้อสร้อยให้แม่อีกอย่างหนึ่งก็คือตัดเอาชายผ้าถุงของยศแม่เก็บไว้สามอย่างนี้เป็นเครื่องรางของอาตมา ในชีวิตเดินทางไปทั่วโลกไม่เคยพบพระเครื่องแต่พบปลอยผมของแม่พบสร้อยเส้นนั้นของแม่แล้วก็พบชายพระถุงของแม่ในปีนี้เขาถวายรางวัลลูกกตัญญูแต่พภะพก็ไม่เคยทําเรื่องขอนอกหลักเกณฑ์อีกต่างหากนะเพราะหลักเกณฑ์เขามีว่าลูกต้องได้รับในขณะที่แม่มีชีวิตอยู่อาตมานี้แม่ไม่อยู่แต่เขาก็จะให้ พวกเรากระตันอยู่เข้มข้นมากวันหนึ่งรายการโทรทัศน์เป็นการใหญ่รายการหนึ่งโทรศัพท์มหาตหาอาจารย์เจ้าคะวันแม่แห่งชาติพระอาจารย์ได้รับรางวัลโลกระตันอยู่อยากแจนนี่มนมาสัมภาษณ์เออพระอาจารย์เอาอยอมแม่มาด้วยน ะ, ะ <c oughs> <c oughs> นนเกิดเรื่องก็ตรงเนี้ยอาจามาบอกว่ายอมยมยแม่ธนครับอยู่เมืองนอก ไม่เป็นปัญหาเจ้าข้ะท่านอาจารย์ประเทศไหนก็ได้ทางรายการยินดีสนับสนุนตัวครึ่หงึ่งก็เลยต้องบอกไปว่าแม่ไปสัมปรายภพยังจะให้มาไหมตกลงเลยไม่ได้ไปออกรายการเขาเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากประสบการณ์เรื่องของผู้หญิงคนเมื่อกี้ และเรื่องราวของอัตมาภาพกับยมแม่นะมาเป็นธรรมะบรรณาการคือของขวัญทางธรรมให้คุณลูกทั้งหลายนำไปคบคิดพิดจรารณาแล้วย้อนถามตัวเองว่าลูกของพ่อลูกของแม่ทุกวันนี้เป็นคนดีให้ท่านได้ชื่นใจแล้วหรือยังก่อนจะจบธรรมะบรรยายในช่วงที่สองอัตมาภาพขอให้เราทุกคนมาฟังเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงพระอระหรันต เอาทุกท่านหลับตาลงนะรักแม่มากๆต้องตั้งใจมากๆเลยเพลงนี้อาตมาประพันธ์เองนะอะพร้อมแล้วมาฟังพร้อมกันนะพระ อ, อรหันที่จำพันษาอยู่ในใชายคาต้นเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับ แต่ก็เห็นเป็นใครกันกราพอโอราหันทันใดได้บุญทันทีอาหังมาตาปิดตุนังปะเทวันธามีอาหังมาตาปิดตุนังปะเทวันธามี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 กราพโอรหันทันใดได้บุญทันทีาทุกคนประนมมือขึ้นมายังหลับตาอยู่นะขอให้เราทุกคนน้อมดาลึกถึงดวงหน้าของผู้เป็นแม่ของเราจนเห็นดวงหน้าของท่านชัดเจนที่สุดพินิดดูสิ ว่าเราไม่ได้จ้องหน้าท่านมากี่ปีแล้วรอยความหนักรอยความเหี่ ย, ห ย, วหยวยน่นร่องรอยแห่งการแบกภาระที่ปรากฏบนดวงหน้าของผู้เป็นแม่ของเรวนั้นสะท้อนว่าเป็นเวลานานหรือเกินที่ท่านได้ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เพื่อให้เราผู้เป็นลูกได้มีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขแม่สละทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อความก้าวหน้าของลูกแม่ยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตที่สดใสบางครั้งแม่ก็ยอมได้ ที่จะเป็นคนที่คอยปิดทองหลังพระลูกโดยไม่เคยเสนอหน้ามาแบ่งเอาความดีความชอบจากลูกในวันที่ลูกมีความเจริญรุ่งเรื่องแม่จำนวนมากยินดีหมกตัวเองอยู่ในห้องแคบๆเพียงลำพังแล้วยอมให้ลูกตัวเองอยู่ยังสงาา่าผ่าเผยในบ้านหลังใหญ่เพื่อลูกแม่ยอมทุกอย่าง เราทั้งหลายผู้เป็นลกูกเคยมองเห็นแม่ผู้เสียสละขนาดนี้บ้างหรือเปล่าเคยศกตาท่านเคยมองดูแววตาที่เต็มไปได้วยความรักเต็มไปได้วยความมัทธรจากท่านบ้างไหมบ่อยครั้งเหลือเกินที่แม่พูดยังไม่ทานขาดคาเราก็ขึ้นเสียงกับท่านบ่อยครั้งเหลือเกินที่เราก็ลงมือลองไม้เอากับแม่ และบ่อยครั้งเหลือเกินที่เราโทษตัวเองว่าที่แย่อยู่ทุกวันนี้ที่ยังคงเป็นคนยากคนจนเพราะแม่ไม่ทิ้งสมบัติไว้ให้เราช่างเป็นลูกที่เอาแต่เรียกร้องจากแม่โดยหารู้ไม่ว่าแม่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากลูกเลยฉะนั้นวันนีล้ลูกทั้งหลายได้มาฟังธรรมะก่อให้เธอทั้งหลายจงนึกถึงแม่ แล้วน้อมนำเอารถพระธรรมเอาปีติสุขเอาความกตัญญูรู้คุณแม่เอาสติปัญญาเอาความเบอร์บานจากการฟังธรรมในวันนี้มาหลอมรวมกันให้เป็นตะบาววะ่านเดชะต่างดอกมาลายต่างพวง ม, มาลัยมะลิน้อมกราบลงที่ตักของผู้เป็นแม่ของเราทุกคนแล้วนึกตั้งสตยาทิ่ฐานในใจว่า แม่ที่เคารพของลูกวันนี้ลูกชายของแม่ลูกสาวของแม่ได้พาตัวเองมาฟังพระธรรมลูกอิ่มใจฉันใดลูกได้บุญฉันใดลูกได้ปัญญาฉันใดลูกรื่นรมในธรรมฉันใดขอให้ความรู้สึกกันเป็นสิริมงคลทั้งหมดนี้จงตกต้องแก่แม่ของลูกด้วยเถิด ขอให้แม่มีความร่มเย็นเป็นสุขสถิตเป็นร่มโหร่มใสของลูกตราบนานเท่านาน